อาจารย์ครับจากนวมศการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโอพระอาจารย์ได้ยินเสียงฝนเลยครับผม<อ>ผตันนี้ฝนเริ่มตกอยู่ ต, ตกไม่นับเริ่มเริ่มเบาลงแนละ้วยังได้ยินอยู่ใช่ไหมยังได้ยินเสียงอยู่ครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะครับพระอาจารย์ว่าจรั<ๆ>คนเยอะไหมครับสบายเยอะนะสี่ร้อยห้าสิบสี่คน ออเห็นมีแม่เจ้าแม่ค้าก็แจ้งมาบางคนจองให้ถายบาทให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมครับก็ดีกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับเพื่้มีรายได้ครัผมพระอาจารย์ครับโอ้หไปทํางานในสภาก็เห็นอะไรเพิ่มขึ้นหลายอย่างหรือประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นหลายอย่างครับพรอาจารย์แต่ว่าก็ยังจิตใจสบายอยู่เพราะทานพระอาจารย์ไม่สันโดษ อันนี้ก็เลยขอความเมตตาพระอาจารย์แล้วเรื่องสันโดษนะครับครับขอความเมตตาครับการจะมีสันโดษได้ก็ต้องขงเราในชีวิตเรานี่มันมีตัวแปแรเยอะเราควบคุมตัวแปรทั้งหมดไม่ได้มันจับปูใส่กระโดองจับตัว น, นี้เข้ามาตัวนี้มันก็ไม่ออกไปจับอย่านั้นกับไล่จับมันอยู่อย่างนั้นอ่ะย <c oughs> ันถ้าอยากให้สบายไม่เพียดก็ ปล่ อ, เ, อเดินไปตามมีตามเกิดมันจะออกไปมันจะเข้ามาแล้วเรื่องของมันไปเราก็ทําหน้าที่ของเราไปผลมันจะออกมาได้มากได้น้อยมันก็เป็นเป็นเรื่องของอนัอนตตาไปอา น, นิจจังไปอา น, นิจจังไม่แน่นอนอนนานาตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราจําได้เรื่องอนัอนนิจจังอนาตตาเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเรารียนอานิจจังอนาตตา เราคิดว่าเราสามารถที่จะวางแผนแล้วทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ได้พอเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนใจแล้วก็เลยช็อขึ้นมาในในระหว่างการที่ดาเนินการก็เครียดก็คำวลว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่แต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้ากาบที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังครับมันได้ อย่างตอนนี้ฝนมันก็ตกนะเรก็ต้องอยู่ประมาณไปงันจะทำอะไรจ้องคิดถึงตัวแปรที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้แล้วเราก็จะหัดทําใจนะฮะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีหัวใจเราก็จะไม่ทุกข์เพราะย้ายคิดลึกไปก็น่า้นเือชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นโรงละครเราเป็นตัวละคร เราเล่นกันไปตามบทของละครที่เขากำหนดมาให้เราเล่นไปแล้วในที่สุดเราก็จะต้องจบลงชีวิตเราก็ต้องจบลงราจบลงเขาจ้เอาเราออกจากโรงละครนี้ไปให้ให้ตัวละครตัวอื่นเข้ามาแสดงต่อก่อนห น, น้าเราก็มีตัวละครที่แสดงแล้วเขาก็ต้องออกจากออกจากโรงละครไปที้ก็ตตมาถึงคิวเรา ก็เล่นกันไปนก็เป็นแค่ลงละครนหน้าทีแล้วอย่างเช็คสเตียรพูดไว้ว่าลวกเรานี้เป็นเหมือนโงโงละครนทีลงใหญ่นี่ไม่มีอะไรหรอะไม่มีสาระแข่นสารอะไรทำาด้าเป็นแทบตายเลยไหมก็มันก็ผ่านไปกรุงเสียยุธยาหลงดังขนาดไหนเจนดียขนาดไหนมันก็หมดไกรุงสุโขทัยมันก็หมดไ ป, ป <c oughs> มันอย่าไปเครียดกัมันทําไปตามหน้าที่ที่ว่ามันของชั่วคราวได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงสุดความจริงของชีวิตก็คือเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนจะทําชีวิตให้มันดีกันาดไหนเลิศขนาัไหนมันก็ไปสู่ที่จุดเดียวกันก็คือความตาย ไม่คิดนี้แล้วเราทําให้จิตใจสงบขึ้นมากเลยครับท่านอาจารยต้องมองภาพรวมของชีวิตแต่มองแต่เฉพาะช่วงเป็นช่วงช่วที่เรากำลงังดำเนินการต้องมองทั้งทั้งทังภาพรวมมองภาพนีงมองหเห็นชีวิตตอนนี้ตั้งแต่เกิดมามันก็เดินทางไปถึงความแก่ความเจ็บความตายระหว่างทางเราก็อาจจะได้รับเลือดสรรพส่วนสุดบ้างอาจจะเสียไปบ้าง <c oughs> นี่มันก็เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างที่มีในโลกนี้ล้าพอถึงจุดสุดท้ายคือความตายราบนึกสารเสสุดตอนนี้เราก็เอาด ต, ต, ตัวไปไปวไ้า <c oughs> เศรษธีมีเงินเป็นหมื่นร่านแสนนตายไปอไปได้สักบาทนคิดอย่างนี้บ้างม ร, ารณะนิสิตจะช่วยยับยั้งความอยากความโลภ อ, อาจารย์ครับแล้วคนชอบพูดกันถึงเรื่องสันโดษกับความมักน้อยคู่กันสมอครับความมากน้อยคือมันเป็นธรรมที่มันช่วยปราบกิเลสความมากน้อยก็คือให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นมีเท่าที่จําเป็นใช้ของน้อให้น้อยเช่นรองเท้าก็มีคู่เดียวก็พอเหมือนพระนี่มีรองเท้าแต่มีคู่เดียวเรามีเท้าอยู่คู่หนึ่งเราจะเอารองเท้าสิบคู่ไปทำไม เราใส่ก็ใส่ได้ทีละคู่น้องน้อยก็ให้ใช้เท่าที่จําเป็นมีเท่าที่จําเป็นอาหารก็กินมื้อเดียวก็อยู่ได้ผ้าจี่อยู่เครื่องนุ่งหมก็มีสักสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้เปลี่ยนชุดหนึ่งไว้ซักชุดนึงวส้งวสำรองอ่างชุดก็พอของผ้าท่านก็ให้ใช้แบบ ผ้าหนึ่งไป ผ, ผ้าหนึ่งชุดผ้าสามผืนแล้วก็ใช้ของฟรีไมยก่อนไปเก็บผ้าในป่าชาเน <c oughs> ื้อมากน้อยคือใช้ได้น้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องมีรายจ่ายมากเ <c oughs> มื่อไม่มีรายจ่ายเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาของการไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาใช้จาย ก, กับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์มากนะ <c oughs> สิ่งที่มีประโยชน์กับเรามากที่สุดก็คือใจของเรา เราควรจะทุ่มเทเวลาของใจของเราให้กับการพัฒนาจิตใจจะดีกว่าถ้าเวลามาลันเจริญจิตภาวนา <c oughs> จิตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเพราะการพัฒนาจิตใจเป็นของยั่งยืนพอได้นิขทานแล้วมันก็จะมันก็จะอยู่กับเราไปตลอด พัฒนาทางด้านร่างกายทางด้านโลคกระทาพัฒนาไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็มันก็เสื่อมลงร่างกายเราก็ตายแต่มันก็เอาอะไรไปไม่ได้ดังนั้นใช้นักน้อยอดีส่วนสันโดก็คือยินดีตามมีตามเคย อ, อันนี้สันโดก็แคว่านี่ดุ ก, กว่านักน้อยอันนี้ก็คือว่าเราต้องมีรองเท้าพูหนึ่งสันโดก็คือถ้าไม่มีรองเท้าก็ต้องยินดี อยู่กับการไม่มีนอกเท้าไปไม่ไปเดือดร้อนมุดวายไปทำมถ้าถ้าไม่ได้กินมาละมืออาหารก็ต้องอดมือกินอดวันกินวันก็ก็ให้ยินดีไปข้ามมาขันดดไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆถึงแม้จะจำเป็นขนาดไหนก็ตามเพราะว่าคนที่มีสันโดดจริงๆนี่ก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตาย สันโดษนี่มันมันหนักกว่ามากน้อยมน้อย ก, ก, ก็คือเอาให้น้อยที่สุดเอาเท่าที่จําเป็นมีเท่าที่จําเป็นแต่สันโดษนี่ถ้าไม่ได้เท่าที่จําเป็นก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เดือดร้อนอยู่ได้อดเช้าอดอดวันกินวันไปก็ได้ถ้าถ้ากินวันละเมื่อไม่ได้ก็อด 2, วนันกินวันไปถ้าอดวันกินวันไม่ได้อดสองวันกินวันหนึ่งก็ได้ นคนเตินคนกินไปอีกถ้าถ้าพัฒนาจิตใจใช้เจริญสติพัฒนาฝกจิตฝุกใจแล้วจิตใจจะมีความเข้มแข็งมีออเบคาแล้วไม่ทุกไม่เดือดร้อนกับความอัตคัดขัดสนทางร่างกายเพราะได้ฝึกจิตให้มันได้พบ ก, กับความความทุกข์ยากของร่างกายมาด้วยการเจริญสติ นั่งนั่ ง, น, งนานๆให้เกิดทุกขเวทนาทาง่างกายแล้วก็ไม่ขยับปล่อยให้มันเกิน ด, ดับพวงมันไปให้สติใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางมันเพอใจปล่อยวางได้แล้วต่อไปเจอทุกขเวทนาจากการขาดอาหารขาดน้ําขาดเครื่องอะไรต่างๆก็สามารถสอนใจให้วางเฉยได้แต่ก็ไม่ได้หมาพวไม่ให้หาไม่ให้ขนขควย ก็ค้นคว้ า, วาไปหาไปถ้าเราขาดแทนอะไรแล้วก็ค้นคว้าหาไปถ้าหาไม่ได้ก็ต้องสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดไปขอบพระคุณพระอาจารย์ครับมีคาถามที่เข้ากับเรื่องนี้เข้ามาครับบอกว่าการทําใจที่เจ็บปวดที่สุดมันยากมากพูดง่ายๆคือว่าล้มละลายครับขอคำแนะนําให้มีชีวิตอยู่ต่อได้ควรจะทําอย่างไรดีครับก็คิดตอนที่เรามาเกิดเลยเราไปเงิเติดตัวมาแล้วเป่า ทำไมเราอยู่ได้ตอนที่เรามาเกิดมีนมขวดหนึงแล้วก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมได้นูนมขวดหนึ่งก็แฮปปี้แล้วนี่เรามาความโลภมันขยายตัวเรื่อยๆพอมีเงินมากก็โลภมากใช้มากขึ้นกินมากขึ้นมันก็เลยมันก็เลยเวลาที่ไม่มีใช้มันก็เลยทําใจไม่ได้เคยใช้มากพอไม่มีให้ใช้มันก็วุ่นวายใจเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นต้องคิดว่า การนมเวล า, า น, นี้ก็เป็นเหมือนกับการน้มกระดานชีวิตเนาะอะไรก็ไปจุดที่เริ่มต้นใหม่ก็คือที่ศูนยศูนยเนี่ยเขไม่มีทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองเก็บต ว, วนนงเราก็เดินวนหาเลี้ยงปางเลี้ยงท้องไปเลยไม่มีงานทําก็ไปเก็บขยะก็ได้การมถน น, นมีทรัพย์เยอะแยะถ้าเราเป็นคนฉลาดเดินข่างถนนไปนะ่ะมีขวดพลาสติกมีกระป๋องมีอะไรสามารถที่จะเก็บออกมาขายเป็นค่าอาหารได้ อยู่คนที่เขาอยู่ยากลำบากอย่างพระสงฆองค์เจ้าพ้าปฏิบัติเนี่ยท่านก็อยู่แบบขอทานท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านอย่เช้าก็ไปบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยท่านก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้ทําเพิงอยากก่นไ ม, ในม้ใดไม้ร้องกันแด ก, กันฝนได้ผ้าก็ไปชัดผ้าบางสกุลผ้าปา่าช้าผ้าหอ่อศพยาก็ใช้ยาดองน้ำมูด ยาดองน้าปัสสาวะยาดองน้ปัสสาวะเนี่ยามาดองกับพวกสมองได้้วเวลาเจ็บท้องปวดศีรษะก็เดินยาดองพวกนี้ <c oughs> ก็ช่วยบรรเทาได้างาฉะนั้นชีวิตมันไม่มันไม่มันไม่หมดทางหรอกมันหมดที่ใจใจมันไม่สู้ใจมันอยากจะให้มันเหมือนเดิมอ ย, อยากจะกลับไปเหมือนตนที่มีเงินเยอะ แล้วพอไปกลับไปไม่ได้นก็เลยหมดกําลังใจไม่มีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปเราไม่คิดว่าชีวิตของคนเรามันก็อย่างนี้แหละมีมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเราต้องไปมองจุดที่เราเคยผ่านมาได้ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราวันนี้มีการใช้วรนละกี่ตังค์ไปโรงเรียนคุณพ่อคแม่ให้วันละกี่ตังค์่ไหก็อยู่ได้ตอนสมัยเรียนหนังสือเราได้วันละห้าบาท กินข้าด้วยไปกินข้าววันันด้วยเพราะงั้นมันก็มันก็อยู่ได้มันมีเ่าไหลามันก็อยู่ตามในตามเกิดไปแต่จริงๆไปอยู่บ้านอำเภอก็ไม่ก็มีกินทุกวันละครับก็ไม่ได้อย่างแค่แค่อาหารนั้นนเนี่ยมันอยากจะหสื่มเบียร์บ้างดินมเล้าบ้างอะไรบ้างเสร็จกาแฟบ้างเป็นของที่มันเต็มเนะ่ยเราไม่ไม่มีสิ่งนี้ ปัสสีนี่ความเคียดความทุกข์อะไรฉันเคยสอนอยู่ด้วยว่าอย่าไปเสพลูกเสียงดิ้นรนปวดท่ามันไม่ใช่มีแต่สุขด้านเดียวเวลาขาดเงินไปนี่มันจะกลายเป็นความทุกข์อย่างมหาศาลขึ้ญญอย่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวถ้าโ อ, อกาสถามจากเพื่อนๆบ้างครับจะบอกเพื่อนๆทางทิกต็อกนะครับว่าถามให้ถามให้มาได้แล้วนะครับ ตุลิซ่าครับบอกว่าขอคําแนะนําเรื่องการที่เราเรียนวิชาชีววิทยาเรียนแพทยต้องทําการถา ก, กบกระต่ายในการเรียนจะทําใจอย่างไรให้บาปที่เราทําร้ายสัตว์เหล่านี้เบาบางลงครับมันไม่เบาหรอถ้าจะทําให้มันเบาก็อย่าไปทํามัน น, นบาปที่ทําแล้วเราก็ไปลบล้างมันไม่ได้เนีนก็ก็ต้องถ้าจะถ้าถ้าจ ะ, ถ, าจ ะ, ถ, าจะถ้าจะต้องทำํำก็ต้องยอมรับรับ จะตามมาต่อไปมันเด็ดเล่ยงไม่ได้เด็ดเลี่ยงได้ก็เมื่อเราไม่ทําบาปเมื่อไม่ทําบาปวิบากกรรมของบาปก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าถึงสงเน้นข้อแรกในคําสอนทั้งสามว่าให้ร่ากายกราทาบาปทั้งปวงอย่าทำบาปเพราะมันมีโทษตามมามีวิบากกรรมตามมาถ้าให้เรามองสลับตัวเรากับสัตว์ที่เราไปไปผ่าเนื้ ถ้าเราไปเป็นกบแล้วก็จับเราเลยผ่านนี่เรจะคิดยังไงวนะ่าสมัยตอนเรียนแพทย์นี้ผมไม่ทําเลยครับอาจารย์หนีตลอดหน<ม> <laughs> ีได้ไหมนะไม่ทําครับก็คือดูกรหมอกอกไปนอกวงครับต <laughs> อนที่เราเรียนชีว่าเขากำลังมีแต่หมูหมูตายแล้วลูกหมูตายแล้ว อะก็มีกบต้องจำหน้าต้องกบเป็นๆก็ต้องต้องเอากบมาทำํำลายสมองกับไขสันหลังเพื่อเรียนกล้ามเนื้อเรียนอะไรอย่างนี้ยครับผมก็ไม่ไม่กล้าขำครับคุณพ่อกําลังจะจากไปจะทําใจยังไงดีครับก็ในหละเราต้องศึกษาความจริงของชีวิตมาตั้งแต่ตอนที่จะเกิดขึ้นน้ำทลายของคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมาดา โยงพ้นในความแก่ความเร็จทางกายไม่ได้เราไม่ทําการบ้านอย่างพราอมาเจอข้อสอบก็เลยสอบตกทําใจไม่ได้แต่ถ้าเรามันสอนใจเราอยู่เรื่อยๆทุกวันเนี่ยเรามีเด็กสองคนที่เข้ามารายการสูวเรามีการบ้านให้เขาทําเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเสร็จไท้เป็นธรรมดาเขาท่องทุกวันแต่เขาทําะเอาก็ แล้วก็ยอมรับได้บางทวันหนึ่งพ่อแม่เขาก็ต้องตายตัวก็ยังต้ อ, องสัตว์ยพอเกิดความจึงขึ้นมามันก็จะไม่ถึงกับเสียหลักอาจจะยังจะเศร้า อ, อยู่ก็อยู่กับกําลังของใจว่ามีอุเบกฐานมากน้อยถท่าไแต่ยังน้ยก็ไม่ถึงกับท่านที่จะทําให้เกิดความ ท, ทุกข์อย่างอย่างอย่างอย่างรุนแรงอาจจะทุกข์มากแต่ก็พอที่จะพออยู่กับมันได้ คุณอัญชลีครับข้อที่หนึ่งอภิญญาฝึกยังไงครับถ้าไม่มีติดตัวมาจากชาติที่แล้วฝึกเองมีโอกาสจะสาเร็จไหมครับก็ต้องรู้วิธีอาจารย์จะได้อภิญญาต้องทําอย่างไรซึ่งถ้าเราไม่รู้วิธีเราก็ฝึกเองไม่ได้ต้องไปหาอาจารย์ที่เขาสอนวนินชานี้ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เขไม่เคยได้ยินว่ามีไม่ไมอาจารย์ที่มีวิชานี้ท่านก็จะไม่สอนเพราะท่านเห็นว่ามันเป็น เดี๋ยวเราฉายวิชาท่านจะสอนให้เข้าเข้าสู่อัปปนาสมาธิเพื่อออกไปทางปาัญญาทำไปทางวิปัฒนาต่อไปมานจะไม่สอนวิชานี้ท่านที่สองครับพระสามารถจะไปนอนรีสอร์ทได้ไหมครับมันก็แล้วแต่ว่าถ้ารีสอร์ทนั้ น, ม, นมันอยู่คนเดียวไม่มีใครมามาเข้าออสายเงินเงินกลับไปปิดวิเวก อาจจะเป็นกรณีจําเป็นเดินทางก็ต้องพักแรงคืนหนึง่องอะไยนี้ก็อันนี้กับพระเถก็ไม่วควรควรจะไปอยู่ที่ว่าจะดูกว่าหรไม่งั้นก็ปูเสื่อข้างถนนก็ได้นอนข้างถนนไปนะตามมาฉบับของพระนะคต้องรัน้อยสันโดษไม่ใช่ไปนอนบนริสอร์ทนะนั่นเป็นที่ของคนเสพกามไม่ใช่เป็นที่ของสมณะผู้ครองผู้ผู้ครองทำสมณะเขาต้องอยู่แบบ เราเรือกง่ายมากน้อยสันโดกมีเสือกธรรมดาพระถ้าเป็นพระทุดงท่านจะไปไหนมา ไ, ไหนท่านจะมีกดติดตัวไปเผอเวลาที่ท่านจะต้องไปข้างหน้าที่ไหนท่านก็จะสามารถการกดได้การกดแล้วก็นอนเพราะฉะนั้นไม่ควรถามว่าควรไม้มแต่การก ร, ราู้เสเราเที่ยวไม่ควร จะวางใจอย่างไรเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่พอใจขุนเคืองใจครับก็ต้องย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ขุนเคืองใจ ค, <ม>ความขุนเคืองใจของเราเกิดจากความอยากของเราความยักชำงเราไปเจอในสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบก็เกิดอาการขุนเคืองขึ้นมาเราก็ต้องปรับใจของเราว่าเราอยู่ในเรื่องที่มีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบเราไปไป พยายามให้ส si ิ Then, to be, to <gt> ่ง <t> ท like ี่เจอแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวไม่ได้บางทีเราก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องยอมรับผิดอย่าไปอย่าไปทำอะไรกับมันทําใจเฉยๆไปอย่ามาว่ว่ามันเป็นเรื่องของโลกมีการเป็นมีมีสิ่งที่มันสลับกไปสลับมาปัญหาของเราคือเราอยากจะเจอสิ่งที่เรารักชอบชอบอย่างเดียวเราไม่ต้องการจะเจอสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบ ดังนั้นเราก็คนที่จะเปลี่ยนใจเราปรับใจเราอย่างกไปอยากว่าจะต้องเจอสัดสิ่งที่ดีที่งานที่ถูกใจเราพิมพ์อัเดียอาจจะต้องมีโอกาสเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วถ้าเจอแล้วใจเราไม่สงบกาใช้คำบริกรรมพุดโธรศัพท์ไปทนะช่วยระงับความโกรธได้พอเราเรู้สึกอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วก็พูดโธรศัพท์พูดโธไป อย่าไปมองสิ่งที่ทาําให้เรามียอารมณ์ไม่ดีถ้าเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีนั่นก็อยากให้ไปได้คุณเปาครับการสร้างธาตุเจดีย์บริ JD, โภคเจดีย์อุเทสิษเจดีย์แบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับมันก็เป็นเป็นทางไม่ใช่หรือเปล่าพี่น้อมันเป็นการสร้างเจดีย์นี่มันก็เป็นทางแต่บริโภคนี้ไม่ทราบนะเขาบริโภคเจดีย์กันได้ อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่การสร้างทาตเจดีนี้ก็เป็นการทําบุญทําทานอย่างหนึ่งวัดหาวรสร้างถาวลวัดถกสร้างโบสสร้างเจดีสร้างพุติสร้างพระรูปหรือว่าอยู่ในกรอบของอามิสบูชาการบูชาเขาเขาทำเขาสองด้วยการทาบุญทําทานในรูปแบบต่างๆโดยการบูชาที่สูงกว่านี้ก็มีอยู่ทุกเจ้าว่า ให้บูชาด้วยการปฏิบัติสูชาด้วยปฏิบัติสิงสลาที่ปัญญาหัวใจคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเน้นสอนเรื่องอะไรครับให้ละการกระทำบาปทั้งปวงจองให้ทาบุญทำกุศลต่างๆให้ให้ใ ห, ห็นความสามชำะจิตใจให้สอาดโดยด้วยการปฏิบัติจิตใจภาวนา ถ้ายังมีครอบครัวเราอยากจะสมถทาสันโดษแต่คนที่เราอยู่ด้วยยังคงชอบแบบวัตถุนิยมอยู่ทั้งเรื่องกินอยู่แต่งตัวควรจะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรครับก็คุยกันเลยว่าขอให้เราทําตามความชอบของเราคุณชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็เชิญทําไปเอย่าไปขัดเรา่วนเราชอบแบบสถมถทานเรื่องง่ายก็ขอให้เขาปล่อยให้เรารอยู่แบบสถมถทานเรื่องง่ายก็คือต้องรู้จัก ปับความเข้าใจกันแล้วก็ถ้ายังต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องยอมรับความแตกต่างของเขาและของเราเขาไม่เหมือนเราเราไม่เหมือนเขาเขาเป็นกล้วยเราเป็นส้มจะไปทําให้กล้วยไปเป็นช่อมก็ไม่ได้มีทําให้ชส้มาปเป็นกล้วยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้กล้วยกับ่อมอยู่ด้วยกันได้ก็คือต้องปล่อยให้กล้วยเป็นกล้วยปล่อยให้่อมเป็น่อมไป ถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงมากๆเราควรฝึกฝืนคนนั่งต่อหรือออกจากสมาธิดีครับถ้าฝืนได้ก็ฝืนไปถ้าฝืนไม่ได้ก็นอนดีกว่าไปอ น, นอนกันคุณบ๊อบครับถามสองข้อนะครับนั่งฟังเทศของพระอาจารย์ตอนบ่ายอยู่ที่บ้านแล้วจิตมันยังอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้จําได้ว่าพระอาจารย์สอนว่าให้อยู่ให้นานที่สุด ถ้าจิตมันยังอยู่กับลมหายใจไปถึงเวลาหลับก็ปล่อยให้มันอยู่ไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับใช่ถ้าปล่อยไป เ, ว, เวลาหลับมันจะไปปลอยลงไปในช่วงที่หแลบบับข้อที่สองครับผมนั่งเก้าอี้และได้ขยับไปมาลุกเดินไปห้องน้ําแล้วแต่ร่างกายแข น, านขาทั้งตัวยังชาอยู่ไม่ทราบมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับเท่นเานได้ตามด้วยครั้ง ถานั่ก็อยยิ้มันไม่น่าจะมีความอาการชาตามร่างกายเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในในข้าศัพสมาด้วยค่ะสมาธิส่วนใหี่เป็นเพียอา ก, การชาช่วงที่เรานั่งขับสมารเรื่องลงมันไม่ไมหลเวียนท่าที่ควรแต่ถ้าเรานั่งก้ยยินี่มันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องปวดชาถนะ้ามีอาจจะต้องไปหาหมอไปถามหมอดูว่าเป็นปัญหาอย่างไร ทำบุญทำทานอย่างไรถึงจะได้บุญเยอะๆครับก็ทำบุญทำทานมีสามระดับในการทำบนญทำทานด้วยการให้ให้วัตถุเข้าของเงินทองอันนี้ก็เป็นบุญระดับระดับแรกระดับที่สองถ้าอยากจะได้บุญมากขึ้นก็ให้ไปรักษาศีลอย่าทำบาตแล้วระดับที่สามก็คือให้จะปฏิบัติธรรมเราจะได้บุญมากที่สุด คุณมาิสาครับตอนนี้มีผู้ประสบอุทกภัยหลายที่สูญเสียสิ่งที่ใช้แรงกายแรงใจสัตว์เลี้ยงหรือคนที่รักอยากให้พระอาจารย์เมตตาให้ข้อธรรมเพื่อฟื้นฟูสาภสาพจิตใจให้มีกําลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปขอบคุณมตตารครับคืออย่างที่เคยยังเหนื่อยเรื่องนอกมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงหน้าตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้บางทีมันก็จะ ร, ริญบางทีมันก็เสื่อมอันนี้บางที่ก็เจอแบบความเสื่อมความเสียหายกันับ รู้จอดจากธรรมธรรมชาติาธรรมชาติก็เป็นอนัตตาทำให้ควบคุมธรรมชาติได้ไดใจเราไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเรายอมรับความจริงถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความสูญเสียได้พอเกิดการสูญเสียเราก็จะรู้สึกเฉื่แต่ถ้าเราไม่คิดไม่ร่องหน้าก่อนเลยคิดว่ามันจะเจริญไปตลอดมันจะปลอดภัยไปตลอดพอเกิดภัยขึ้นมาแล้วก็ มันก็จะทำใจดได้การสวดมนต์ไหว้พระถือเป็นการทำสมาธิไหมครับเป็นการเจริญสติทำอย่างไรจรึงจะละกามราคะได้ครับก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายหรือร่างกายเวลาที่ร่างกายเป็นธาตสดพิจาจรณาจินตนาการคนที่เราละเราชอบนี่ ถ้าเกิดเขาเป็นศพในวันนี้เรายังอยากจะลองจะไปรับผิดชอบความผิดนี้ก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะดูอาการภายในใต้ตาถึหนังก็ได้ลองกดหนังสื อ, อนาโตามี่ดูกายวิาพากษ์ดูก็จะเห็นอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้ชีวนังของร่างกายถ้าเราเห็นโครงกระดูกของเขาเห็นปอดเห็นไตเห็นตับเห็นลำไส้ของเขาการมาลาค่าก็จะดับไป เราจะปฏิบัติต่อใจในเรื่องความมักน้อยในที่ทำงานได้อย่างไรครับกดดันบริษัทมักจะมีเป้าให้เราต้องฝ่าฟันครับเขาว่ามักน้อยนี่หมายถึงการใช้จ่ายของเราใช้น้อยๆเพราะว่าใช้มากมันก็จะทาให้เราต้องไปหาเงินมามากทำหมายไม่ได้ให้ให้มักน้อยในเป้าหมายของการทำงานทำงานเขาก็ต้องให้มากๆแต่ให้มีราได้มากๆ บริษัจะได้เจริญจะได้มีเงินเดือนมาจ่ายคนงานถ้าเราไม่อยากจะมากมากในการทํางานแล้วกม็มาออกจากงานเสียอยู่เขาไม่ได้โรบินฮูดที่ปล้นคนรวยมาช่วยคนจนการทําความดีแบบนี้ไม่ได้บุญใช่ไหมครับได้ทั้งสองอย่างบุญก็ได้บาปก็ได้บาป ก, ก็คือไปปล้นเอาเงินของคนรวยเข้ามาแล้วถ้าเรา ไ, ไป ให้คนอื่นเขเป็นบุญมันก็ห้าสิบห้าสิบสรุปก็คือไม่ได้บาปไม่ได้บุญแต่มันได้มันสะสมไว่ในใจแล้วเพิ่มเถ้าเกิดเราไปทําบาปเพิ่มขึ้นอีกสักสองสักนิดหน่อยมันก็บาปมันก็จะมีกําลังมากกว่าบุญหรือว่าถ้าเราไปทําบุญมากกว่าบาปบุญบุญก็จะส่งผลก่อนบาปจะส่งผลไม่ได้ การรักษาศีลจำเป็นต้องอาราธนาก่อนไหมครับไม่ต้องหให้มีความตั้งใจแล้วก็ไว้ใช้สติคอยกลั บ, ลบดูแลว่าเรากาลังทาผิดศีลหรือไม่แ่นั้นเองคุณอ้อมครับเมื่อไหร่ที่เราจะรู้ว่าเราเข้าถึงคณิกาสมาธิหรือสมาธิในขั้นที่สูงกว่านั้นครับมันจะเห็นความแตกต่างจิตที่ ไม่สงบแล้วกับจิต ท, ที่สงบนี่มันเหมือนเหมือนกับฟ้ากับเย็นเมืกลคืนกับกลางวันมันจะเป็นเหมื้นพลิหน้ามันไปแล้วพลิกหน้าไปาไปหลังมือขึ้นมามันจะรู้เพราะมันเป็นความแตกแตกต่างที่ชัดเจนจิต ท, ที่กําลังพุ่งกําลังเพรีดแล้วเราใช้สติทําให้จิตสงบนี้ความพุ่งความเครียดจะหายไปเหมือนกับเราเข้าห้องเย็นหือภายนอก อากาศนอยพอเราเข้าไปในห้องปลอดรากาศเราก็จะสัมผัสกความเยนของห้องได้มันจะรู้ชัดหนทำบุญเลี้ยงเพลนพระและแม่ชีผู้ปฏิบธรรมอุทิศให้ผู้ตายเขาจะได้รับไหมครับได้ถ้าเขารอรับอยู่คุณ ม, มีโอครับการที่เราเจ็บป่วยหลายโรคเป็นเพราะสภาพร่างกายของเราเองไม่ใช่พรติกรรมใช่ไหมครับ มันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันเรื่องของกรร ม, มก็มีส่วนอดีตชาติเราเคยทําบาปทำกรรมมาพะไรก็จะมีผลส่งมาให้กับสุขภาพของร่างกายเราในปัจจุบันก็ได้แต่มันก็มีสาเหตุอื่นสิ่งแวดล้อมอากาศที่เราหายใจเข้าไปน้ําที่เราดื่มและสิ่งที่เราบริโภคกันไปหรือกรรมอภินิหาที่เราได้จากพ่อจากแม่มามันมีหลายสาเหตุด้วยกันไม่ใช่อยู่ที่กรรมอย่างเดียว มีคนถามว่าจั ก, กรวาลสิ้นสุดที่ไหนครับไม่มีไม่มีสิ้นสุดไม่มีก่อนไม่มีดับเนื่มันมันเปรต่ันอาจจะมันอาจจ ะ, าจจะตามหลักของวิทยาศาสตร์เขาว่าต่อไปจั ก, กรวาลมันจะหดตัวลงใช่ไหมกลายเป็นเข้ามาอยู่ในในหลุมดําำอะไรเนี้ยมันจะดูดเข้ามารวมกันหมดแล้วมันก็จะระเบิดขึ้นมาใหม่ลึดแรงเกิดขึ้นมาใหม่มหมอะไรทำนองนี้ มันก็มันก็มีการเกิดการดับของจักรวาลก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบรรนิจันบรรณารามอันนี้มันอยู่ในช่วงอะไรผลึ่งเพืขยายตัวเป็นาวไปครับอาจารย์าจารย์ศาของวิทยาศาสตร์ตอนนี้พวกพวกดวงดาวต่างๆมันจะขยายแยกออกจากกันกระจายออกจากกันนนีในช่วงที่มันจะรวมตัวกันเข้ามา มันมันเป็นอย่างนี้ตอนต้นมันก็จะระเบิดแล้วก็จะกละจายออกไปพอหดแรงกระจายหมดมันก็จะถึงแรงดูดกลับเข้ามาให้มารวมตัวกันอันนี้เท่าที่เข้าใจในหลักของของจักรวาลนะว่ามันเกิดลาดับยังไงคุณมาลีครับการที่เพื่อนว่าเรางมงายที่ใส่บาตรเราควรจะพูดยังไงที่จะไม่โกรธเราได้ ไม่ต้องพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเลยมันจะยากเย็นตรงไหนคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหมือนคนตามบอกพยายามบอกว่าสีแดงเป็นยังไงเขาบอกไม่ใช่สีแดงไม่ใช่เป็นสีนี้กาให้ก็ลืมตามมาดูเองดีกว่าโปดมนทุกวันได้บุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าได้ผลหรือไม่ไงถ้าส่วนแล้วใจสง บ, บมีความสุขแต่าคารสวขก็ก็ได้บุญบุญก็คือความสุขใจ พนักตอนครับดูแลพ่อแม่อย่างไรไม่ให้เราบาป พ, พ่ออายุ88ปีแล้วครับก็เคารพท่านเทิดทูนท่านอย่าไปว่าท่านอย่าไปสอนท่านทําตามคําสั่งของท่านแล้วไว้ว่าถ้าคําสั่งนั้นมันผิดศีลผิดธรรม้วไม่ต้องทําถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมว่าควรที่จะเอาใจท่านไม่ใช่ไปคอยกีดขวางท่านอ้างว่าหมอไม่ให้กินนมางหมอไม่ให้ทำมากถ้าท่านอยากจะทําก็เป็นเรื่องของท่านไป ถ้เราไม่อยากทำบาปทำบาปขอท่านก็ทําตามท่านทําตามจใจท่านผมเองยังไม่ค่อยห้ามเลยครับแต่ให้เขาอยู่อย่างให้ก็อยู่อย่างในความสุขดีกว่าดีกว่าให้เขาอยู่ว่าอยุยืนยาวนานแต่ทุกข์เขาทำอะไรไม่ได้กินได้นานก็ไม่ได้กินได้นี่ก็ไม่ได้แล้วก็จะอยู่ไปทําไมใช่ไหมเวลาฝึกนั่งสมาธิควรมีคําบริกรรมไหมครับ ต้องมีอะไรกำกับใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะใช้คำบริกรรมก็พุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าไม่ใช้คำบริกรรมจะก็ดูใช้ดูลมหายใจเขาออกที่ปายจมูกก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันที่เราสามารถใช้ในการนั่งสมาธิได้แต่นั่งเฉยๆโดยไม่มีอะไรกำกับใจไม่ได้เพราะใจจะปรุงแต่งใจจะทิพย์และใจจะไม่มีวันที่สงบได้คุณพัชรินครับ เคยลองใช้เงินวันละสามร้อยใช้เท่าที่จําเป็นเราก็ถือสันโดษได้พอเพียงเท่ากับพอใจอย่างนี้เท่าั้นกับอาจารย์ใช่แล้วเราเราถือน้อยใช้น้อยกว่ น, นี้ก็ได้เรารอนเหลือสอง้อยอยู่ประมาณน้อยมันนีทดสอบไปเดูดีว่ามันน้อ ย, น, อ ย, ย, น, น, อยน้อยที่สุดมันเท่าไหร่กันแน่พอเราตอนนี้สามรอยแล้วเราขอลดลงเหี๋ยลดสองร้อยยังจะอยู่ได้ไหมเงินยังแฮปปี้ไหมต่อไปก็ลดเดี๋ยวร้อยเงินก็ได้ ถายโคกระบือได้บุญปล่อยปลาได้กินอุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมในเวรได้ใช้ไหมครับคือการปล่อยสัต์นี้เป็นเรื่องของการให้ชีวิตเขากินเนื้อสั์นี้ก็ถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าเขาก็ไม่บาปกินได้แต่ถ้าเราต้องไปฆ่าเขาเพื่อเอาเอาเอาเอาเขามากินเนี่ยก็บาปไม่ควรทาเราต้องการให้เขามีชีวิตไม่ใช่ต้องการไปทำลายชีวิตเขาทาลายชีวิตเขา คุณประพันธ์ครับการประหยัดในการใช้จ่ายกับความตะหนีที่เหนียวแตกต่างกันอย่างไรครับตะหนีก็คือการประหยัดก็คือใช้เท่าที่จําเป็นมีเหตุมีผลไม่ให้มากกว่าความจําเป็น่เรียกว่าประหยัดเช่นมีรองเท้าคู่หนึ่งก็พอแล้วเรียกว่าประหยัดแต่ถ้าตะหนีก็คือเสียดาเยเงินไม่ยอมซื้อรองเท้ามาใส่เลยเดินเท้าเปล่ า, านี่เรียกว่าตะหนี เกินเนเหตุเกินผลกนมาเสียได้เงินแต่ก็เจ็อนมันไม่มากๆหลงเงินของทองปล่อยวางไม่ให้คิดถึงเรื่องลูกไม่ได้เลยครับทำอย่างไรครับก็ต้องสอนใจว่าทุกคนแก่มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาลงพนิการพลาดพลาดจากกันไปไม่ได้สอนใจไปเรื่อยๆสอนทุกวันสอนทุกวันคิดไปเรื่อยๆ ใบจ่าก็จะเริ่มเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิ ต, ตทุกชีวิตไม่เป็นชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เพียงชั่วขราวแล้ววันในวันหนึ่งชีวิตของเข า, าจะต้องสิ้นสุดลงคุณหมอกายภาพบำบัดไทยในอเมริกาครับอยากเรียนถามว่าการไปปฏิบัติธรรมคอร์สท่านอาจารย์โปรนก้ากับการไปบวชชีพรามหรือบวชชีโฟนหัว แบบไหนถึงถือว่าจะช่วยในการปฏิบัติได้ดีที่สุดแบบไหนได้บุญมากที่สุดครับมันก็แล้วแต่ตฤศของเราเราชอบแบบไหนแล้วก็ไปทําแบบนั้นอันนี้เป้าหมายหลักก็คือการไปปฏิบัติธรรมก็เพื่อไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อทําทใจให้สงบแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมแล้วเรียนความรู้ทางญาติปัญญาให้เราเห็นว่าแท้จรธรรมของชีวิตว่าทุกอย่างเป็นอันนีอ้อางทุกขงังอนัตตา อันนี้จะจะไปไปหรือทำแบบนี้รูปแบบนั้นก็ได้แต่เป้าหมายก็เหมือนกันค็คือการ ป, ปฏิบัติทนะี่ษะอาดนาโรคแพนิกรักษาด้วยธรรมะได้ไหมครับได้ควาใพยายาก็คือการไม่มีสติกตกใจพอนนยังฝึกสตกิพอจิตนั้นตกใจก็พุโทโธพุโทโธยึดจิตเอาไว้แค่ น, นี้มันก็จะหยุดได้ แต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมมาก่อนมันก็จะมาทําไม่ได้งั้นต้องฝึกซ้อมฝึกสติไว้เรื่อยๆก่อนพยายามท่อพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆให้มากที่สุดเาที่ยอะมากว่าเพื่อมันติดเป็นนิสัยอยู่ในใจเราพอใจเราแล้วไม่ไม่เป็นปกติแล้วพุโทโธพุโทโธไปเองๆมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้คุณนันทพรครับเวลาเดินจงกรมจิตอยู่ที่การเดินไม่ต้องกําหนดรู้ลมใชม่ไหมครับ ไม่ต้องถ้ามดูเท้าจะง่ายกว่าลมมันเป็นของละเอียดลมดูลมที่เหมาะกับการเวลาที่นั่งอย่างเดียวเวลาอื่นไม่ควรจะดูลมท่านสอนให้ดูกายดูกายเคลื่อนไหวขอ ง, งน้างกายมีคนบอกว่าคนที่ไปวัดคือคนที่ปล่อยวางไม่ได้ต้องอาศัยวัดเป็นที่พึ่งจริงไหมครับเออคาว่าปล่อยวางกับการอาศัยนี่มันที่รื่งนี่มันคนละเรื่องกัน การปล่อยวางไม่ได้ก็คือยังยึดติดกับคำ น, นั้นก็ น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่เนี่ยครับปล่อยวางไม่ได้ในการไปไหว้เพื่ออะไรของที่พึ่งนี้ก็ไหว้จะเนือโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนเพื่ออาศัยโรงเรียนจะมีสั่งสอนเราให้วิชาความรู้กับเราเราไปวหวก็เพื่อไปเรียนวิชาความรู้ทางธรรมและการปฏิบาาัติธรรมนั่นเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่บรรดาคนเกี่ยวข้องกันได้ คุณพัชรินครับวันก่อนขับรถไปทับหมาน้อยเพราะเขาถูกรถชนจากทางข้างหน้าเราขับตามมาทับซ้ำเบรคไม่ทันจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจเลยจิตตกไปสามวันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เป็นบ้ า, าเพราะเป็นท่อนกรรมของเขาเปนอุ บ, บัติเห็นที่ไม่มีใครก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่บางทีมันก็เกิดขึ้นได้เสมอดิฉันเป็นคนใจร้อนทีหงุดงิด ทำอย่างไราอารมณ์ถึงจะเย็นลงได้ครับมีวิธีอะไรบ้างครับฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆพยายามควบคุมใจด้วยสติใจร้เข้าใจขึ้นมากที่เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาถ้าเราฝึกสติพุทโธพุทโธเราก็จะลดความขิ้นองให้น้อยลงเมื่อขึ้นน้อยลงอารมณ์ที่ร้อนก็จะลดน้อยถอลงไปแต่ถ้านั่งสมาธิได้จะทําจใจให้นร่งสงบ หยุดความน้อยได้อย่างเต็ที่หยุดความคิดได้อย่างเต็ที่ความนอยที่มีในใจและกลายเป็นความเยอที่มาาะนั้นหมยายถึฝึกสติกับนั่งสมาธิของอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเพราะถ้าไม่ฝึกสติแล้วมานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมความคิดคอาอยู่ความคิดนั่งได้ห้านาทีก็เอืดใจเพราะความคิดมันอยากจะไปไปทําน่นไปทํานี้ แต่ถ้าเราคอยควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิไปนจะนั่งได้งานเพราะความคิดที่อยากจะลุกไปไหนเมื่อไหรมันถูกสติเราคอยสกัดกั้นไว้ได้ตักบาตรสามวันติดอุทิตบุญให้แล้วขออโหสิกรรมบาปจะเบาบางลงไหมครับบาปไม่เบาบางลงบ า, ามันจะหมดแค่สามว่นเราต้องรับผลบาปถ้ายังไม่ได้รับผลบาปบาปก็ยังอยู่ ส่วนบุนี้ถ้าเราทําเราก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองเพรเราเรื่องกันเวลาที่เราสวดมนต์บทต่างๆควรจะสวดในใจหรือว่าเปล่งเสียงออกมาดีครับถ้าสวดไปในใจได้ก็ดีที่สุดเพราะมันเป็นการฝึกภาวานานเราไม่ต้องการใช้ร่างกายเราต้องการปล่อยวางร่างกายแล้วก็ใช้ใจใรสว ถ้าเรายังต้องออกเสียงหมุนใจมันก็ยงติดอยู่ที่ร่างกายอยู่มันก็จะเข้าไปข้างในไม่ได้การภาวนาการกาทำสมาธิไม่อแยกใจออกจากร่างกายการย่อยยาก็ต้องไม่ใช้ร่างกายใช้ใจใช้ใจเป็นตัวสู่ไป คนเที่ยวไปเรื่อยครับคุณแม่อายุมากแล้วและคิดว่าถ้าแม่ตายคงเสียใจมากแสดงว่าเราต้องฝึกพิจารณามรณานุสติคุณแม่ให้มากๆก่อนที่ท่านจะตายจริงๆใช่ไหมครับคือต้องฝึกทําใจไว้ก่อนใช่แล้วต้องฝึกทุกวันฝึกบ่อยๆได้ดีๆพระพุทธเจ้าถามว่าอนุนว่าอนุนวันวนึงทำนึกถึงความตายทั้กี่รอบอนุนบอกประมาณสี่ห้าครั้งพระเจ้าบอกถ้างประมาณเดียว วิธีที่ไม่ลำบากก็คือให้นึงทูกลมหายใจเข้าอนี่พราเวลาเธอหายใจเข้าแล้วเธอไม่หายใจออกก็ตายเวลาแม่หายใจออกก็ไม่หายใจเข้ามา ก, ก็ต้องตายคืดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอใจไม่เลงใจยอมรับความจริงได้เข า, า, ายังไม่ทุกข์สัมผัสตายถ้าลูกดือ้อไม่เชื่อฟังเราต้องวางใจอย่างไรครับ เบื้องต้นเราก็า้ทำหน้าที่สอนเขาก่อนสอนเขาผิดถูกดีเชื่อก่อนแล้วถ้าเขาไม่ไม่ไม่ไมไมอยอมทำตามก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเลยตามกรรมเพราะถ้าเราไม่สั่งสอนตอในใดเขาจะมาตำหนิเราว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนคุณ d a d ดดีดีครับ ทะเลาะเถียงกับลูกสาวบ่อยจะทําอย่างไรดีแม่อายุหกสิบลูกยี่สิแปดลูกยังโสดไม่มีแฟนครับก็พยายามยอมรับความความแตกต่างกันของของความคิดมีคำสภาวะศีกที่พูดไว้ว่าให้สมวนส่วนต่างระสานส่วนสิ่งไหนที่มันมีคทำรู้สึกไม่ตรงกันก็อย่าออกมาพูดให้เสียเวลาเดี๋ยวจะทะเลาะกันหมดต่างให้เราพูดในเรื่องที่เราเห็นชอบเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกัน ถ้าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเราพูดเรื่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วทุกคนก็แฮปปี้แต่ถ้าคนยังชอบพินงไวยเตี๋ยวคนชอบกินข้าวผัว่าพูดกันเข้ า, าขมาตีกันทะเลาะกันการใส่บาตรหรือไม่ได้ใส่บาตรมีผลอย่างไรครับการใส่บาตรเป็นการทำบุญทําทานถ้าใส่บาตรก็จะได้<ม>ได้บุญได้ความรู้สึกที่ดีคือความสุขใจมีใจถ้าไม่ได้ใส่บาตรมันก็ไม่ได้ความรู้สึก คุณธนิตาครับสีนข้อแปดสามารถนอนบนเตียงโดยที่มีที่นอนยางพาราสูงประมาณหนึ่งุดห้านิ้วถือเป็นการสุดสีข้อแปดไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่จะมมจะกหนดหว่าจะให่ขนาดไหนถ้าพูดตามเนื้อตามตามที่เขาสอนกันก็นคือให้นอนมันพื้นแข็ง อยู่ที่วัดมีโยมท่านหนึ่งทำอาหารให้พระชอบถามพระว่าอร่อยไหมโยมคนนั้นบาปไหมครับไม่บาปหรอกเขาเป็นความหลย่หละแทนของเขาไ ม, มคุณซีฟครับถ้าเราเป็นคนโมโหงูงหิดน้อยรำคาญคนไม่ชอบให้คนมาหยุดกับเรามากพอใครมายุ่งกับเราเราลำคาญว่าเขาในใจแล้วทาเสียงกระแทกแรงๆไม่พอใจแต่ไม่ได้ว่าอะไรหรือพูดอะไรออกไป แบบนี้เราบาปไหมครับแล้วควรฝึกจิตยังไงดีครับถ้าเราไม่เลยไปพูดวาจาที่ที่ผิดศีลมันก็ไม่บาปวิธีฝึกจิตก็ควรฝึกสติให้มีสติคอยกำกับใจคอยควบคุมความคิดตา่างๆเอาความคิ ด, ดน้อยถอยลงไปอารมณ์มันก็จะเบาลงแล้วก็จะสามารถรับกับสิ่งต่างๆที่เ็เลยเขาทำได้ หนูคอยเตือนสติแม่บางครั้งบาปมากบาปมากไหมครับกลัวท่านจะหกล้มท่านอายุ85แล้วเลยเตือนอยู่บ่อยๆครับก็ขึ้นอยู่แบบว่ามันมันจําเป็นต้องเตือนหอไหมถ้าต้องเตือนเพื่อช่วยเหลทานอางน้อยไม่น่าจะเสียหายต่อมาทุกอัชาราครับถ้าเราเคยทําแท้งเราต้องรับกรรมไปอีกกี่ภพกี่ชาติต้องทําบุญแบบไหนที่จะส่งผลให้ลูกที่จากไปได้ครับ ก็ทำบุญด้วยการทำความดีต่างๆไม่ว่า ไ, ไม่จาเป็นว่าจะต้องทำทานอย่างเดียวเวลาทำอะไรที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจแล้วความสุขใจอิ่มใจนี้มันก็จะทำให้เราไม่เปทุกข์กับการการสูญเสียของลูกที่เรา ท, ท, ท, ที่ที่เกิดจากการการทาของเราแต่ยังไงเราก็ต้องรับผลของมันต่อไปเมื่ผลันมันแสดงผลแล้ว บาปกรรมันนี้มันก็หมดไปน่าจะต้องไปถูกเขาทําแท้งชาณหน้าเราจะมาเกิดในทานําแม่แ้แม่คนนี้เขา่าจะเอาเราไปทําแท้งก็ อ, ออกไปเมื่อได้ถูกทําแล้วก็จบไปภาวนาตามลมหายใจไม่ทันครับไม่นเนี่ต้องตามลมหายใจดูเฉยๆเม้นไม่นถ้าทําอะไรดูที่ปลายจมูก หรือว่ามันเข้ามันออกเท่านั้นเอง่้มันจะต้องไปตามถ้าดูลมหายใจไม่ได้ก็ใช้คำบริการพูดโทรไปก่อนไม่ต้องดูรมเอาพูดโทรอย่างเดียวเลยคุณสิริชัยครับผมทบทวนทานที่ทำทุกวันศีลรักษาปกติสารวมใจแล้วค่อยพูดภาวนาคอยดูลมแล้วมองทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ทบควนแบบนี้ระหว่างวันทุกวันผมคิดมากไปไหมครับ ก, การทบทวนก็เพื่อให้เรารู้ว่าเรากำลังทำหน้าที่เหล่านี้หรือเปล่าทั้นั้นงถ้าเราทำหน้าที่ก็ไม่เสียหายตรงไห น, นทำไมวันโกนวันพระจะมีความคิดสับสนแล้วฝันเห็นคนตายครับอันจะเป็นเรื่เจริญของเราก็ได้ที่มันมีความสำพัญกับพรท้บรรทุนเป็ตัวหนึพิเศษไดรู้ตามความเป็นจริงนะ หรือว่ามันเป็นอนัตตามันเนสิที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันจะเป็นงาน่ายหรอ่ามนเป่ยนไปมันเป็นแล้วเดี๋มันก็ดับไปมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเราอย่าไปทุกข์กับมันก็ได้ค่ะคิถาครับาการปล่อยปลาตัวใหญ่สิบตัวกับปล่อยลูกปลาลูกกบร้อยตัวซึ่งจัดซื้อมาราคาเท่ากันอันนี้ส่งทาบุญเท่าได้เท่ากันนะครับถ้าพูดตามตามกําลังของทราบที่เราเสียไปก็เท่ากัน ระยะเวลาการเจริญสติต้องนานไหมครับหรือไล่ระดับขึ้นไปครับถ้าพยากือกให้ได้ทั้งวันนะแล้วก็ต้องต่อเนื่องไม่เผลอไม่ขาดตอนนั่นคือเป้าหมายของการเจริญสติสูงสุดก็คือให้มีสติตลอดเวลาไม่เผลอมีสติสัมปชัญญตะตลอดเวลาแต่จะทำได้มากไดยน้นก็คืออยู่ที่ความเพียรยาคุณสลาวุธครับ การที่เราฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วบ่อยๆเป็นเพราะเขามาขอส่วนบุญหรือเพราะยังหวงหรือเพราะความปูกพันครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะความห่วงใหญ่ของเรามากกว่าเพราะถ้าเขาเป็นมาหาเราจริงเราคนจะสนทนากับเขาได้ถามสาวทุกสุขหรืออยากเขาหน้าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือไม่สบายดีต้องการอะไรให้ให้ชื่อเหลือบ้างบางนนคนจะคุยกันได้นี่เป็นของจริง นอนฝันผีบีบคอเล็บมือยาวๆกลัวจะโดนของต้องทำยังไงครับก็มันก็เรว่ามันเกิดขึ้นนล้ว ก, ก็ผ่านไปไม่ต้องทำอะไรอย่าไปกลัวให้รู้เฉยๆไปเออาะโดยวบากกรรมของเราเราทำกรรมอะไรไว้มันม่นก็จะมักปรากฏมาแสดงในจิตใจของเราคุณมาคสีครับขอพระอาจารย์อธิบายคำว่าสมาธิกับภาวนามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ คำว่าการภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจนี่ก็แบ่งเป็นสองระดับพัฒนาให้จิตใจด้วยด้วยความสงบให้จิตใจสงบเราเรียกว่าเป็นการทําสมาธิอันนี้ส่วนอีกระดับหนึ่งก็คือพัฒนาให้ใจฉลาดมีปัญญาแล้วก็สอนใจให้เห็นสัธรรมความจริงของชีวิตเรียกว่าวิปัสนาภาวนามีการภาวนาคือการพัฒนาจิตใจ ซึ่งแ บ, บ่งเป็นสองระดับระดับแรกก็ทําจิตใจให้สงบเรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิขั้นที่สองก็พัฒนาจิตใจให้มีปัญญาให้มีความรู้ความฉลาดในเรื่องของศาสนาความจริงของชีวิตอันนี้เราก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวานจาจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะปล่อยวางจากลูกที่ตายจากไปได้ครับ ก็พยายามหยุดมันเวลาคิดถึงลูกก็ใช้คำเลย ร, รมพุทโธพุทโธไปเลยใช้ปัญญาสอนใจมาคิดไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะวมาไปแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วเราไม่สามารถย้อนอนดีตได้ทางบ้านอยากให้สร้างครอบครัวแต่งงานแต่พิจารณาทีไรก็รู้สึกว่าเหมือนหาปัญหามาใส่ตัวทั้งนั้น เลยคิดว่าจะเก็บเงินสักต้อนแล้วก็ไปบวชก็รู้สึกเบาโล่งสบายใจผมพิจารณาถูกต้องไหมครับถ้าไปบวชก็ไม่ต้องมีเงินเลยไปบวชได้เลยอาจจะมีถ่ า, า, ถาลังจายค่าธรามเนียมขายจ่ายค่ถวายาพระเท่านั้นต้อพอบวชแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทองเพราะนั่งบวชนี่ยอยู่แบบไม่มีเงินทองอาศัยการบาุญตบะอาศัยที่อยู่อาศัยที่ทางวัดก็จัดให้อยู่ การปล่อยปูช่วยให้เราหายจากการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวได้ไหมครับตามคุณหอเลออกครับคุณสราบุศครับเวลามีความโกรธมีความเครียดมีความน้อยใจไม่สบายใจจากการกระทําของคนอื่นคำพูดของคนอื่นจะมีวิธีหยุดความทุกข์ใจได้อย่างไรครับ ก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาเลยเราไม่หวังให้เขาพูดดีกับเราทําดีกับเราพเขาไม่พูดดีกับเราทําดีกับเราใจเราก็เลยทุกข์ปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราอย่าให้เขาดีกับเราอยากให้เขาพูดดีกับเราทําดีกับเราเราต้องสอนใจว่าเขาอาจจะทําดีกับเราก็ได้เนื้อเขาอาจจะไม่ทําดีกับเราก็ได้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบัเขาได้ ลูกฝันเห็นพ่อซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาบอกว่าให้คนมาช่วยอันนี้คือเขาอยากให้หาหมอมาช่วยหรือเปล่าอถ้าพ่อยังอยู่ก็ไปถามพ่อเลยคนที่เป็นผู้ชายมีบุญมากกว่าคนที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับไม่หรอกบุญมากบน้อยอยู่ที่การกระทํามื่อไหนทำบุญมากก็มีบุญก็มีบุญมากถึกตัวมา คนไหนทําบุญน้อยก็มีดบุญน้ อ, นอยติดตัวมามันไม่ได้อยู่ที่เพศอะไรการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับถ้าเขาไปเกิดแล้วจะได้รับบุญที่เราอุทิศให้หรือเปล่าครับไม่นะถ้าเขาไปเกิดแล้วเขาสามารถที่จะไปหาภามสุขจากการกระทําของเขาเองได้ไม่ต้องมารอรับส่วนกุศลของเราต่อไปคุณวราวุธครับ ในมงคลสามสิบแปดประการเรื่องให้ดูนิพานหน้าสัตว์ปิกริยาจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ปฏิบัติให้เห็นว่าความอยากต่างๆ ท, างที่มีในใจเราได้ถูกกำจัดหมดสิ้นไปแล้วด้วยปัญญาเอาความอยากหมดไปนิบาลนิพานก็ปรากฏขึ้นมาคนที่ไม่มีลูกมีบุญมากกว่าคนที่มีลูกมีสามีภรรยาหรือเปล่า คนที่ไม่มีรูกมันก็มีมีทุกข์น้อยกว่าแต่ว่ามีบุญมากกว่าหรือไม่ไม่ทราบอจะมีทุกข์น้อยกว่าคนที่มีเพราะเมื่อเพราะว่าเมื่อมีอะไรก็ต้องทุกข์ับสิ่งที่มีนั่นเองถ้าไม่มีก็ไม่มีความทุกข์ับสิ่งที่ที่ไมีมคุณสิทธิชัยครับบอกคุณแม่ให้มีศรัทธาพระราชนาฏไรบุญบาปศีลห้าจารค้าปัญญา คุณแม่ทําตามมาปีกว่าแล้วแม่รู้สึกดีขึ้นจิตใจดีมีปัญญาลดความอยากและแม่ก็ทําตามที่ผมค่อยๆบอกแบบนี้ผมได้ตอบแทนคุณถูกต้องไหมครับก็ดีสอนท่านให้ไปในทางธรรมะดังนั้นท่านจะสามารถติดประตัวบายได้อน่างย่างถ้ า, าวว่าเคยได้เป็นพระโสดาบันการนั่งสมาธิได้ปัญญาอย่างไรครับ ไม่ได้ปัญญาเลยการนั่งสมาธิได้ความสงบคนราเรื่องกันเรื่องของปัญญานี้ต้องไม่ได้อยู่ในสมาธิต้องเป็นจิตปกติที่ทิ้ปูงแต่งได้อย่างตอนนี้แล้วก็มาคิดเรื่องศัจธรรมความจริงมาคิดถึงเรื่องอันนีจ้จะทุกขกับอนัตตาที่ได้เกิดปัญญาขึ้นมาคือการเรียนรู้เรียนรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตชีวของเราไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้แหละคือการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาขึ้นมา การหั้งสมาธิเพื่อทจิตให้นื่งให้สงบให้มีอุเบกขาให้สามารถวางเฉยกัดกับสิ่งต่างๆได้คนละเรื่องกับคุณบุญเกิดครับการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับถ้าเขาไปเกิดและเอาในอันนี้เหมือนทําภาคอีสานจะมีวันทำบุญเข้าสากสลักพัดถ้าไม่ได้ไปทำบุญที่วัด แต่โอนปัจใจร่วมทำบุญกับวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอุทิศส่วนบุญให้เปรตตามความเชื่อเขาด้รับส่วนกีนไหมครับได้ถ้าเขารอรับสิเราเป็นลูกจับมือพ่อซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและน้อมบุญให้พ่อทั้งหมดพ่อได้รับบุญเต็มไหมครับไม่ได้นะมืของใครของมันไม่สามารถที่จะโอนให้กันได้ก็ทํทำกันเองบุญและบาร เคยเดินกรรมฐานระหว่างเดินมีชั่วขนาดหนึ่งรู้สึกว่าไม่มีร่างกายเหลือแต่รู้แล้วรู้สึกเหมือนร้องเฮ้ยแล้วถอนหายใจออกมารู้สึกแค่เซี่ยววินาทีเดียวเองอยากถามว่าถ้าปฏิบัติแล้วเป็นแบบเดิมต้องทําอย่างไรต่อไปครับก็ทําให้มันเกิดขึ้นมากๆให้มันงานขึ้นให้มันสงบได้นานขึ้นการถวายผ้าไตรเป็นบุญใหญ่หรือเปล่าครับ ก็อยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยทําเผยหนึ่นงก็ทําสร็จเผยเนี่ยถ้าทําสร็จเผยมันก็ได้บุญเยอะมากกว่าทําพิ่เดียวมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราทําที่เราถวายมันอยู่ที่ปริมาณของทรัพย์สินที่เราเสียไปเราบริจาคมากบุญก็ได้มากบริจาคน้อยบุญก็ได้น้อย การนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแต่จิตใจวกแวกเข้าสู่สมาธิได้จริงเพียงห้าถึงสิบนาทีจะได้บุญแค่ตอนที่เป็นสมาธิใช่ไหมครับใช่การนั่งวิปัสสนาสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเพียงพอไหมครับคือการนั่งสมาธิานั่งเพื่อให้เกิดผลเพือให้จิตสงบถ้านั่งวิปัสสนาก็ต้องทาให้เรามีดวงตาเห็นธรรม เห็นหนาร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราสามารถปล่อยวางร่างกายได้มันไม่ได้หยุดที่เวลาว่าเรานั่งงานก็ไม่นานอยู่ที่ผลว่าเราสามารถทําให้เกิดผลขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าคนที่เลือกสส อ, สอให้เขาเข้าไปทํางานเพื่อเราแต่เขากลับไปทำในสิ่งที่ผิดสีเกือบทุกข้อเช่น ครามนุษย์เสรีไายเล่าเสรีตลอด24ชั่วโมงสอนแต่เสรีภาพให้พครผู้ใหญ่บ่อนทำลายแบบนี้คนที่เลือกให้อำนาจเขาเข้าไปแล้วจะได้รับเศษกรรมนี้ด้วยไหมครับไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมของใครของมันใครทำกรรมมันไดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหลังจากนั่งสมาธิจะเจริญปัญญาได้หรือไม่ครับสามารถพิจารณาปัญญาได้ในช่วงไหนบ้างครับ ไดทุกช่วงเวลายกเว้เวลาช่วงนี้ในสมาธิเท่านั้นเพ่อเจริญปัญญาไม่ได้่พอออกจากสมาธิมาแล้วพอจิตได้คิดปุุงแต่งแล้วก็เอาจิตมาคิดทางด้านปัญญาเลยก็ได้เช่นคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเสียต้องตายเป็นต้นหรืร่า ง, างกายไม่สวยไม่งามมีอาการ32อันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญา กลัวการพิจารณาอสุภาษิตป่าชาเก้าแบบนี้จะสามารถบรรลุโลกุตรธรรมได้หรือไม่ครับก็สามารถพิจารณาบัดในรูปแบบหนึ่งได้ถ้าพิจารณาอสุภาษิตไม่ได้ก็พิจารณาการสามสิบสองแทนได้ซึ่งมันก็มีอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาเราไปกลัวมันจะเป็กลัวมันได้ยังไงมันอยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิดคแต่เราไม่มองมันแค่หนึ่ง สวดมนต์ตอนวิ่งออกกําลังกายทุกวันได้ไหมครับได้ถ้าถ้าไม่ไม่ออกเสียงดังเพราะว่าถ้าออกเสียงแล้วคนก็อาจจะหาว่าเราไม่ไม่ไม่เป็นการเหมาะสมไม่เป็นการแสดงความเคารพแต่ถ้าสวดไปภายในใจนั้นก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญจิตตะภาวนาในการเจริญสติไปการถวายพัะตาหารและสังฆทานกับพระและวัดไม่ได้ระบุ สรูปขึ้นไปเรียกว่ามหาสังฆทานได้ไหมครับคือทานนี้มีขึ้นอยู่กับว่าที่เราไปถวายว่าท่านจะรับเป็นบุคคลิกทานหรเป็นเป็นสังฆทานบาว่าเขาก็ให้พระรูปได้ใครรับอะไรมาก็เป็นของพระรูปนั้นไปอย่างแม้จะมันนิมนต์สามรูปสี่รูปสิบรูปก็ท่านก็ของการของมันอยู่ดีอย่างนี้ไม่ไม่เรียกว่าเป็นสังฆทานบางวัดนี่เขาถือว่า ของทุกอย่างที่ทางวัดได้รับมานี้ต้องเป็นของส่วนรวมทั้งหมดก็เอามาแบ่งกันใช้ในทางที่เา่าเป็นสาระาทางในวัดป่าส่วนใหญ่เนี่ยของที่ถวายจะมีพูดทดแทนไปรับก็คือครูบาอาจารย์ท่านรับองค์เดียวแล้วของทั้งหมดที่ท่านรับมาท่านก็ให้ไปเอาไปแจกจ่ายกับผาเครื่องรูปที่มีอยู่ในวัดเรื่องไปเก็บไว้ในที่ที่เาเครื่องรูปต้องการถ้าต้องการอะไรก็สามารถไปหยิบเองได้ ที่บ้านต่างกันจะมีตู้เก็บพวกสบู่ยาซีฟันไปซีฟานอะไรต่างเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในในวัดเี่ใครขาดอะไรก็ไปหยิบมาได้ไม่ต้องขอกันอื่านี้นถึงเมื่องเป็นสังฆทานให้เป็นอ่าเป็นของส่วนนวลเป็นของสงฆ์แต่ถ้าว่านในบ้านในเมืองมีส่วนใหญ่เป็นของใครขอมันกุฏิใครกุฏิมันไปใครรับอะไรมาถ้านก็เอาเอาเข้ากุฏิของท่านเก็บไม่ใช้ท่า น, นตาม อันนี้ไม่ไม่เป็นสังฆทานเป็นมุกคุริฆทานถ้าเราจะนิมนต์มาสี่รูปว่าถอยถอยเป็นสังฆทานมันก็ไม่เป็นสังฆทานอยู่ดีเอาผู้รับไม่ได้เอาไปเป็นเป็นส่วนการสงฆ์เอาไปเป็นของใครของมันอาจารย์ครับนี้พัติต่านนิลุงตาเป็นตัวแทนรับหรือมีพระเวนมารับครับต้นหลวงตาเนะนี่ยนะเพราะส่วนใหญ่คนมาถายทองก็ถายกับหลวงตาไม่มีพระเวนมารับ <c oughs> ยังวงเมืกาลนีที่หลวงตาไม่อยู่แล้วก็มาก็ฝาก สรอยให้หลวงตาแต่หลวงตาท่านก็ไม่ถือว่าเป็นของท่านท่านถือว่าเป็นของสงฆ์อาณาบริการถ้าท่านต้องการใช้เะไที่ท่านมันจะรับมาท่นก็แบ่งไว้ส่ง ท, ที่เหลือท่านก็ให้พาะไปเก็บไว้ไปแบ่งสับพระรุกก่นต่อไปเป็มีคนถวายช็อกโกแลตนท่านหลายอย่งางเนี่ยไม่ก็จะฉัด น, น้ำเดียวแล้วที่เหลือท่านก็บอก่เอาไปแจกพระอดอาหารเป็นกําลังใจนะครับร<ห>าอาจารย์เปนกำลังใจ เราได้ได้ชอ็อตกระต่ายจากท่านได้ทั้งกําลังใจได้ทั้งกําลังกายได้วยน้ำตาลของให้กําลังกายแล้วท่านได้ได้ความสุขใจที่ท่านสนใจที่ท่านรู้ว่าเราอดอาหารแล้วท่านเป็นห่วงเป็นใยนะให้สมกําลังใจมาให้คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วสิบห้าปีแต่สัมผัส ถ, ถึงท่านได้ในแบบต่างๆเป็นพลังงานมือนถูกไฟฟ้าช็อตอยืนบ่อยๆ อ, อย่างนี้เป็นแปลว่าอะไรครับ ก็แปลว่าอุปทานของเราคือมาว่าเลยเราก็ไม่ทราบว่าที่เราเป็นอุปทานมากกว่าถ้าเราทําบุญ50ร้อยวันให้คุณพ่อเราไปบริจาคให้โรงพยาบาลได้ไหมซื้อเครื่องมือแพทย์ไปต้องไป ท, ทําที่หรือต้องไปทําที่วัดครับอ๋อไปที่โรงพยาบาลได้เลยทำกับโรงพยาบาลเลยถ้าอยากสิบาทกับโรงเรียนก็ไปทําที่โรงเรียนเลยเป็นการทําบุญทําทานเหมือนกันเแต่เราไม่ได้ยอม คิดว่าเป็นการทําบุญนะเราวม่จะเรียกว่าเป็นการทําทานแต่ความจริงก็ทานก็แปลว่าการให้การทําบุญที่วัดก็เป็นการทําทานแต่เราไม่เรียกว่าเป็นการทําทานเราไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญแต่ความจริงเหมือนกันเป็นการทําทานทั้งหมดทําที่วัดก็เป็นการทําทานทำที่โรงพยาบาลก็เป็นการทําทานแล้วผลที่ได้รับก็คือบุญนี่บุญก็คือความสุขใจอิ่ใจ การถวายผ้าไตรกับการทาบุญตักมาบุญต่างกันอย่างไรมีผลต่อผู้วายชนไปแล้วอย่างไรครับมันไม่มีผลต่อผู้วายชนและผู้ให้หรอกมันมีผลต่อผู้รับเพราะว่าถ้าเป็นอาหารท่านก็เอาไปกินถ้าเป็นที่วท่านก็เอาไปนึหัว <Okay. S 2> แต่ผู้ให้เนนี้มันก็ได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันคุณชาญยุทธครับ การที่เราดูรูปภาพอนาโตมีจะช่วยให้เราเบื่อหน่ายในร่างกายได้ไหมครับแล้วควรดูอย่างไรดูแล้วพิจารณาตอนที่เราออกจากนักสมาธิหรืออย่างไรครับต้องพิจนารณาตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วพยายามพิจนารณาดูบ่อยๆจนจดจําได้จนเวลาที่ทุกครั้งที่เราเห็นร่างกายที่เราที่ว่าน่าดูน่าชมเราก็นึกถึงเรา ว, ว า, ายวะภายในมันก็จะมาลบล้างความความคิดความเห็นที่ว่าเขาเป็นรูปร่างที่ น, น่าดูน่าชม ก็จะทําให้เรามองนับการการมลท า, าที่ที่ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ยังไม่เกิดแล้วกันไม่้มันเกิดขึ้นมานั้งนั่งสมาธิแล้วรู้สึกหน่วงตึงที่หน้าผากเหมือนถูกดึงลงไปเป็นแค่ครั้งเดียวอย่างนี้คืออะไรได้ฌานใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกก็เป็นการหนึ่งที่อยาก จ, จะเกิดขึ้นได้ให้รู้ว่ามันเป็นนันทจังไม่เที่ยนเป็นอนัตตาเราวบคุมบังคับไม่ได้ เมื่อเกิดดาราลูกก็ดับไปเข้าฝันผ่านไ ป, นไปลูกชายเป็นคนขี้เกียจและเป็นโรคซึมเศร้าพ่อแม่บอกให้ไปหางานทำเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวและเขาฆ่าตัวตายแบบนี้แม่บาปไหมครับแค่เราบอกเขาแต่ไม่ได้ด่าเขาเลยแต่เขาโกรธและและไปฆ่าตัวตายเราเป็นแม่จะรับมือกับทุกข้อมีแบบไหนดีขอความเม่ตาพระการในการทาใจด้วยครับ เขาไม่บาปเราเป็นมูลที่เราไปพูดเตือนสติเขาให้เขารู้ว่าชีวิตของเขาเขาต้อรู้จักพึ่งตนเองเพราะต่อไปพ่อแม่เขจะไม่อยู่แล้วเขาจะคัเขาจะมาเลี้ยงดูเขาอันนี้เป็นท่านเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่เราสั่งสอนลงอยู่แล้วให้สอนให้รู้จักพึ่งตนเองได้และไม่บาปที่ที่บาปก็คือตัวเขาเองเขารับกับสภาพของเขาไม่ได้เพราะอะไรที่ว่าวิธีที่จะทําให้เขาหลุดพ้นจากสภาพนี้ก็คือฆ่าตัวตา สวดมนต์ตอนทํางานได้ไหมครับได้จะสวดถ้าสวดไปภายในใจระวังสวดไปแล้งงานมันจะมันจะค่อยเผะมันจะพิดมันจะเสียหายได้หรือเปล่าถ้าเป็นงานที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแค่สวดไปได้เนี่เราเป็นพนัก ง, งานที่ต้องค่อยทำอะไรซ้ําๆๆๆติดสแตมอยู่ตลอดทั้งวันเนี้เราส่งชอสวดไม้เราติดสแตมเราติดสแตมติดสแตมไปเราก็สามารถสวดมนต์ไภายในใจได้แล้วเราทํางานที่เรา ทำได้เพราะงานที่เราทำไม่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเราถ้าใช้งานที่ใช้ความคิดใช่ไหมเราคิดบัญชีอย่างนี้เรามันนั่งสวดมนต์เ <laughs> ดี๋ยวมัญชีางานจะปิดผ่าได้นอนการนอนสวดมนต์นี่ทําได้ไหมครับทําได้แต่มันจะไม่ได้ผลเพราะมันจะหลับใช้มากกว่ามันสบายมันท่าสบายเป็นไป การสวดอิติปิโสในที่ที่เราสะดวกตอนไหนก็ได้ที่ว่างแต่ไม่ไม่อยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปได้อันนี้ส่งหรือไม่ครับได้อยู่ที่ว่าเราเราต้าองทำความคิดตรงแต่งได้หรือไ่เราต้องทำความคิดตรงแต่งแต่งได้ล้วก็ได้ได้สติการที่เราช่วยคนอื่นที่มีกรรมมากพอเขาพ้นทุกไปแล้วกรรมเขาจะมาตกอยู่ที่เราหรือเปล่าครับทําไมคนดีๆถึงอายุสั้นครับ เราจำใครจำมันไม่ไม่เกี่ยวข้องกับคนอนะื่นไม่ต่อไปอยู่กับใครเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตนึกถึงการขอพรการแผ่เมตตาแบบนี้ถือว่าเป็นสมาธินะครับไม่หรอกการขอพร น, นี้มันไม่ได้เป็นสมาธิสมาธินี่ต้องนิ่งสงบไม่มีความคิดตึงตึ นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งแล้วมีแสงสว่างจ้าให่จิตปรุงแต่งไหมครับไม่ต้องไปสนใจให้รั่วปไปได้แล้วรั่วมันผ่านไปไม่เที่ยงอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจอะไรที่ปรากดขึ้นมนพิจารณาว่ามันเป็นตายลักไปของไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็ดับไปอนัตตาเราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือให้มีสติอยู่กับเราหมายใจต่อไป หรือถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้มีสติอยู่กับทำมิอการพุทโธต่อไปบางครั้งภาวนาก่อนนอนแล้วหลังจากภาวนาเสร็จรู้สึกมีสติต่อไปจนนอนไม่หลับสามารถทําอย่างไรได้บ้างครับหอครก็นอนไปแล้วก็ทําสติต่อไปที่นอนไม่หลับไม่ใช่เพราะมีสติเพราะมันคิดมากมต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดความคิดได้พอความคิดหยุดปัม้มเราก็จะหลับไป ไไสะพานบุญเลี้ยงคนชราบ้านพักคนชราได้บุญด้านไหนครับคุณมาอธิบายเขาว่าสะพานบุญให้ฟัง ห, น, ห, น, น, ห น, น่อยว่าเป็นอยังไงเหมือนกับเหมือนกับเอาเงินคนอาจจะเอาเงินจากคนอื่นมาแล้วก็ร่วมกันแล้วก็ไปเลี้ยงคนชราที่บ้านพักอย่างนี้ยครับนนคนเป<ส>็<ค>นสะพานเลยก็ไม่ได้บุญที่เกิดจากการ ก็การเสียเงินเสียทองเขาไได้เสียเงินเสียทองแต่จะได้เงินนึงจากการที่ได้รับใช้ผู้ที่เขาทำบุญทำทานให้สหมุดประโยชน์ขึ้นมา น, นี้เป็นบุญตัวอย่างนงลูกทำธุรกิจเรือนำเที่ยวลูกมีเบ็ดตกปลาตกหมึกถ้าลูกค้าอกปลานไปกินลูกบากด้วยไหมครับ เราไม่บาปแต่เราก็เป็นผู้ที่มีส่วนที่จะสนับสนุนให้เขาทำบาปซึ่งเป็นเป็นการกระทําที่ไ ม, ม่ชอบมิเป็นมิเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำถ้าคิดแต่ไม่ทําตามความคิดอย่างนี้ผิดไหมครับยังไม่ผิดถ้าที่จะขโมยเงยินเขาแล้วยังไม่ขโมยนี่ยังถือว่าไม่บา การที่เราไม่ได้เอารูปพ่อแม่ที่เสียชีวิตมาแขวนไว้ในบ้านถือว่าบาปไหมครับหรือต้องทํำยังไงครับไม่บาปเลยอยู่ที่เราเรามังกรรักพ่อรักแม่มากพอพ่ อ, พอแม่ตายไปก็แล้วต้องมีอะไรเป็นของที่จะทดแทนตัวพ่อแม่เราเป็นรูปภาพของพ่อแม่เราก็เติดรูปภาพไว้แต่ถ้าเราไม่มีความผูกพันท่านตายไปแล้วก็จบแล้วจะมีภาพไม่มีภาพก็ไม่เป็นปัญหานเไร การเห็นใจมันคิดและเห็นกายมันทำงานแต่ก็ดูมันไปเป็นการเดินวิปั ส, สนาไหมครับไม่หรอการการเห็นนี่จะเห็นต้องเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเห็นใจก็จเห็นใจว่าเราไม่เที่ยงมันคิดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอะีรจังเราไปควบคุ ม, มคบังคับทำไไม่ได้ ธรรมทานกับอภัยทานทานใดได้อันนี้สูงสุดกันครับเอ่อธรรมทานนี่เป็นเป็นทานที่สูงสุดเพราะการให้ธรมรมะนี้จะช่วยทําให้หลุดพ้นจากกทุกข์ได้ไปไปนิทานได้เพราะธรรมทานแต่การให้อภัยนี้ก็เพียงแต่ทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในอาบายเพราะเราจะได้ไม่ต้องทำร้ายของให้ไปอาฆาตเทวบาร พ่อแม่ที่ตายไปแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าท่านไปเกิดแล้วครับถ้าเราไม่มีอภินญานเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติวิปัสสนาสิบวันนั่งสิบชั่วโมงต่อวันดูสภาวะประมตจในร่างกายดูใจและเจริญสติในเอริยาบทต่างๆระหว่างวันพอวันที่ลาศีนกลับมา น, นอนที่บ้าน ระหว่างที่หลับและพลิกตัวมีความรู้สึกว่าร่างกายสั่นระเทือนเป็นคลื่นๆทั้งร่างกายตลอดคืนจนแปลกใจเปิดไฟและลุกเ้ห้องน้ําจนลงไปนอนอีกครั้งแต่ก็ยังปรากฏอยู่มีการควสงสัยว่าเกิดแบบนี้เพราะอะไรครับไม่สนใจไม่ต้องไปสนใจเพราะอะไรหรอกให้รู้ว่ามันเป็นไตรักรก่อให้รู้ว่ามันเป็นของไม่เทียมเป็นประสบการที่เราควบคุมคมันครับได้ได้วยแล้วให้ปล่อยวางเราจะได้ไม่ไปทุกขกับ มันผ่านไปแล้วอย่าไปเสียเวลาคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเกิดจากอะไรถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ได้กาปัปการที่พระสงฆ์รับลาบสการะที่โยมมาถวายเกินกว่าจําเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะว่ามันไม่ถ้าไม่ได้ไปขอเขาเอามาให้ด้วยศรัทธาถ้ามันมีเกินกว่าความจําเป็นก็เอาไปทําบุญทําทานต่อได้ นั่งสมาธิแล้วเหมือนเห็นว่าเคยเกิดเป็นแมวและเป็นเจ้าที่เจ้าทางแต่ๆที่ทํางานอย่างนี้คือใช่และลึกชาติได้ไหมครับไม่ใช่หรอกเปนความคิดเท่านั้นเลยถ้ามันรู้วิชาได้มันต้องมีอะไรมายืนยันถ้าไม่มีอะไรความจริงมายืนยันใครก็คิดได้คิดเป็นเจ้าพระเจ้าเมืองเจ้าเจแผ่นดินก็ึ้นได้นั่นแหะ แต่เป็นจริงหรือไม่เนี่ยมันต้องมีอะไรมีหลักฐานมามโยงกันมายืนยันยังอารมณ์หรืออะไรคือความรู้สึกว่างแม้มีเรื่องราวไม่ดีมากระทบบ้างแต่ไม่สะเทือนเกิดจากเราแก่หรืออะไรครับก็มันอาจจะเป็นเพราะเราไม่รูเบคขาปล่อยวางได้เฉยๆกับสภาวะธรรมตาที่เรามาสัมผัสเรแล้วเราแก่เรามี มีปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่มานานแล้วก็รู้ว่าโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละไปดีใจเสียใจกับมันก็ไม่ได้อะไรออกมก็เลเฉยๆกับมันไปก็ได้มันจะเป็นประสบการณ์ของคนที่มีอายุมากสวดอีพิโซ่เก้าไปเรื่อยๆแต่ตอนตื่นไม่สามารถนึกถึงว่าสวดจนถึงไหนุ่งนี้เราได้บุญไหมครับถ้าสวดแล้วหลับก็ไม่ได้บุญสวดแล้วต้องสงบถึงได้บุญ ต้องจ่ยความสุขใจใช่ไหมถึงจะได้ดุญวิบากกรรมกับบุพกรรมต่างกันยังไงครับบุพพกรรมนี่หมายถึงเราไม่ทราบคุณหมาทราบไหมป่าว่าอะไรบุพกรรมเนะ่ยหมือนกับกรรมรรที่ปิดก่อนมาเกิดไหมกรรมก่อ น, น, นที่มาคือวิบากกรรมก็คือผลของกรรมที่เราทํา บุพพกรรมอาจจะกรรมที่เราทํามาก่อนเมื่อมีอุบุพพกรรมมันก็จะมีวิบากกรรมตามมากระได้เนื้ออันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผลวิบากเป็นผลบุพพกรรมนึ็นเหตุการที่เราเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อาจบังคับได้ทําให้รู้สึกต่อโลกสมมุติที่เรายังอาศัยอยู่นี้มันหม่นหมนไม่สบใสไม่ค่อยมีความสุขจะต้องทําอย่างไรครับ เพราะเรายังอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันสดมันมันก็เลยทําให้เราจิตใจเราก็เลยเศร้าหมองเพราะจิตใจเรายังไม่ยอมรับยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับความจริงได้แล้วปล่อยวางไม่ไม่หวงังอะไรจากโลกนี้แล้วใจก็จะใจก็จะสงบสดมีความสดใสเบิกบานขึ้นมาทันทีมันพิจารณาไปแต่ใจกิเลสไม่ยอมทําตามที่เราพิจารณา พิเบิกยังอยากจะให้มันเที่ยงยังอยากให้มันมีให้ความสุขของเราอยู่นั่นเองมันเลยไม่ยอมปล่อยเราต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจมีอุเบกขาก่อะถ้ามีใจมีอุเบกขาใจจะปล่อยได้บริจาคช่วยสร้างบ้านให้คนยากจนประจำํำต้องกดน้ํำไหมครับแล้วแต่เราเวลาอุทิศบุญนี้จะใช้น้ําก็ได้ไม่ใช้น้ําก็ได้ได้ทั้งสองอย่าง ตอนนี้กรรมส่งผลให้ผมมีเรื่องต้องคิดต้องทำไปร้อยแปดชีวิตเจอความทุกข์แปดสิเปอร์เซนความสุขยี่สิเปอร์เซนจนส ต, ติแทบไม่ได้อยู่กับตัวแต่ผมก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่สร้างบาปเพิ่มขึ้นใหม่ได้เพียงเท่านั้นครับหลวงพ่อก็พยายามทำไปเรื่อยๆอย่าสร้างบาปแล้วถ้ามีโอกาสสร้างบุญได้ก็สร้างบุญบ้างมีโอกาสไ ป, ไปฝึกสตินัน่งสมาธิก็ไปทำบ้าง ทำแบบเป็นรูปแบบหน่อคือควรทำทั้งวันทั้งคืนดูอย่าทำแค่ห้านาทีสิบนาทีมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เช่นวันพระเนี่ยให้เราไปอยู่พระวัดกันอุบาสกุบาสิกาแล้วก็ถือศีลแปดแล้วก็จเจริญสตินั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหละถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ทําให้เกิดมีผลขึ้นมาตามลาดับดาร์กช็อกโกแลตเป็นแท่งและผงสามารถฉั่งช่วงปานะได้ไหมครับ ได้ถือว่าเป็นยาเป็นปนโนซอลคุณวิสิตบอกว่ารบกวนถามครับปัจจุบันการบวชพระมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างไรบ้างไหมครับเท่าที่ได้ยินมาก็คือต้องตรวจสุขภาพว่ามีมีโรคติดต่อต่างเช่นมีโรคเองมีอะไรในป่แล้วก็ไปตรวจประวัติว่ามีมีประประวัติใน ใ, ใ, ใ, ในทางอ่า ทำอะไรทำผิดกฎหมายหรือเปล่าต้องไปที่ต้องไปให้ทางตำรวจเขายืนยันว่าบุคคลวันนี้ไม่มีคดีความไม่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายส่วนเรื่องของโรคภัยก็ต้องไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลจะคุยยังไงกับคนที่มีอีกโก้สูงคิดว่าตัวเขาเก่งไปทุกอย่างจะพูดตาพูดจายกตนข่มคนอื่นรับก็ยกข้ขาสูงๆไปจะได้ไม่มีปัญหาอะไ ยอ่อเข้าไปยกยอ่อเข้าไปพี่ดีงั้นพี่ดีอย่างนี้ก็จะจบไม่ต้องไปเถียงกันก็คิดว่าเป็นการเล่นละครไปจนเราจะไม่ได้เอาจริงประจังเอาไว้เวลาทําบุญใส่บาตรเราควรอธิษฐานอย่างไรถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าครับการอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจที่จะทําอะไรอย่างไรอย่างนีน้ไม่ใช่เป็นการขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากการกระทำํำ ง้นเราจะมีตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่เราจะทําเช่นวันนี้เราตั้งใจจะมาทํามาฟังเทศฟังธรรมมีเรียกว่าอธิษฐานครับถ้าเราไม่ตั้งใจว่าเราจะมาฟังเทศฟังธรรมเราก็อาจจะไปทําอย่างอื่นแทนแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วพอถึงเวลาเราก็จะมามันเป็นการผูกมัดใจเราให้เราทําสิ่งได้สิ่งหนึ่งถ้าเราไม่มีอธิษฐานมันก็ทําให้ใจเรายังไม่มีข้อผูกมัดพอถึงเวลาเพื่อนมาชวนไป ทำอะไรอย่างอื่นก็อาจจะไปกับเพื่อนแทนก็ได้แต่ถ้าเรามีอธิษฐานแล้วเรามีสักจากความแน่วแน่พอถึงเวลาเราก็จะมาฟังเทศฟังธรรมแม้จะมีเพื่อนมาชวนให้ไปทําอะไรก็ปฏิเสธเข้าไปเพราะเรามีสักจากเมือเรามีความจริงใจไม่โกหกตัวเราเองไม่หลอกตัวเราเองเราตั้งใจจะทะําเราก็ต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้ให้ได้อันนี้คือความหมายของอธิษฐาน ไม่ได้อาธิษฐานว่าขอให้ได้ไปนิพพานไปสวรรค์ ช, นน ون, ชั้นนู้นชั้นนี้อไไม่ใช่พระบินทบาทผ่านหน้าบ้านแต่บางวันเราไม่สะดวกที่จะใส่บาทอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปเพียงแต่ไม่ได้บุญเท่านั้นคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้บาปกรรมที่กระทจะส่งมาถึงลูกไหมครับไม่หรอกถ้าเราไม่ทำตามท่าน คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วแต่มักจะไปหอมรูปภาพแม่อยู่บ่อยๆเวลากลับไปบ้านเป็นการไปผูกจิตท่านหรือเปล่าครับยังผูกอยู่นะคุณถีตานันครับถ้าโสดาบันยังมีหุดหงิดหรือวีนใสคนอื่นหรือเปล่าครับอันนี้ต้องไปถามพระโสดาบันดือี่าเ <laughs> รื่องรให้เป็นก่อนเราจะรู้เอง จิตใจยังคิดถึงแต่บิดามารดาที่เสียชีวิตไปแล้วรู้สึกเสียใจยังทําใจไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่สอนใจมาไว้ก่อนย้งหนาย้เราเคยสอนใจว่าร่างกายคนทุกคนทุกคนต้องต้องถึงแก่ความตายในวันใดวันหนึ่งถ้าสอนอย่า น, นจิตก็จะยอมรับแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะไม่รู้สึกเสียใจแต่อย่างใดคุณภูริชยาครับ ทำอย่างไรดีครับพี่จะปล่อยวางจากคนที่ชอบพูดแซะและพุกขามคนอื่นด้วยคำพูดครับก็ปล่อยเขาพูดไปเราห้ามเขาไม่ได้แล้วก็ฟังไปคุณพ่อป่วยหนะักเรานั่งสมาธิอธิษฐานขอให้พ่อหายป่วยช่วยพ่อได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าได้ก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะ ไม่ชอบใส่บาทเลยครับแต่มีความสุขในการให้ทานทำบุญให้คนแก่ฝึกจิตเมตตาต่อทุกสิ่งอย่างนี้พอไหมครับได้เหมือนงานทดแทนกันได้ห้องพุทโธตอนนอนเพื่อจะได้หลับได้บุญไหมครับไม่ได้่ะได้หลับถ้าอยากจะได้บุญต้องท่อนะท่องแล้วไม่หลับท่องแล้วจิตสงบเกิดความสุขใจอย่างใจขึ้นมาถึงจะได้บุญ ผมทำบุญตัดบาทผมไม่เคยขอพรให้ตัวเองเลยขอเพียงแค่ผลบุญนั้นให้ไปถึงแม่ที่เสียไปให้พ่อที่ป่วยติดเตียงไม่เจ็บป่วยประมาณมากไปก่อนนี้และปู่ย่าตาลายให้ได้รับบุญนี้ไปด้วยครับไม่ได้หรอกขออะไรก็ไม่ได้ครับมันมันอยู่ที่ว่าเราทําอะไรแล้วผลของมันจเป็นอย่างไงมันก็จะได้ผลอย่างนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราขอขอโน้นขอนี่ การทำบุญก็เพื่อให้เกิดความสุขใจใจเราก็จะได้แค่นั้นหละต่อให้ขอแร้วไม่ขอเราก็ได้เวล า, าเราทำบุญทำความดีเราจะมีความรู้สึกสุขใจขึ้นมาอันนั้นแหละคือผลบุญผลที่เกิดจากการกระทำของเราเราจะขอแล้วไม่ขอก็ตามมันก็จะได้แค่นี้จะไปขอให้พ่อหายจากป่วยไข้ก็ไม่ได้ขอให้เราอยู่อายุยืนยาวนานต่อไปแต่ก็ไม่ได้ไม่ควรละเรื่องกัน คุณพ่อป่วยติดเตียงที่ที่ศูนย์ดูแลแต่เราเป็นลูกไม่มีโอกาสดูแลใกล้ชิดอย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าเราถ้าเราเป็นคนรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายก็ไม่บาปเรา ไ, ได้ทำบุญแต่ถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลท่านเลยเราก็จะไม่ได้บุญแต่ไม่บาปอาจจะเป็นความไม่ตาธรรมในของเราก็ได้ สำหรับผู้หญิงพระอาจารย์แนะนําให้ไปบวชชีไหมครับและสถานที่ที่บวชชีต้องพิจารณาให้ตรงกับจริตเราถึงจะพบความสงบได้ใช่ไหมครับใ้่ hey, การบวชมันก็ต้องมีที่ที่เราสามารถทํากิจที่เราต้องการจะทําได้ก็ต้องไปหาสถานที่บวชซึ่งมีสำ น, นักแม่ชีหลากหลายด้วยกันก็ต้องไปศึกษาดูว่าแต่ละสำ น, นักเขามีวิธีการการปฏิบัติทําอย่างไรบ้าง ถ้าเป็นตองกับจริตของเาเราก็เลืสถานที่นั้นเป็นที่บวชไปไม่กินเนื้อสัตว์ทุกวันเกิดได้บุญไหมครับไม่ได้บุญอ่ะการไม่กินได้แต่อุทานได้ต้องไม่ฆ่าสัตว์ถึงจะได้บุญถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินไม่ไม่ไม่ได้บุญแต่จะฝึกจิตไม่ให้ทุกข์อย่างไรเมื่อร่างกายเจ็บป่วยครับ ก็ต้องซ่อมให้ก่อนไงตอนนั่งสมาธิแล้วเวลาเกิดอาการเจ็บทางร่างกายก็สมมุติว่ารนี้เป็นการเจ็บขข้ได้ป่วยแล้วก็อย่าไปขยับอย่าไปทําให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปสนใจให้รับปอะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายให้ได้ถ้ารับได้ต่อไปเวลาเวลาน่างกายไม่สบายขึ้นมาเจ็บปวดขึ้นมาก็จะไม่รู้สึกทุกข์เพราะรู้วิธีที่จะปฏิบัติแล้ว ความเจ็บปวดของร่างกายได้การฝึกใจให้สงบหยุดรุงแต่งความคิดกังวลเรื่องต่างๆควรทำอย่างไรครับควร จ, จะระชาสติให้น้องมากหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้กรร บ, บริการพูดโทรพูดโทรไปการห้อยพระรูปคูบาอาจารย์มีประโยชน์หรือไม่ครับ ก็แล้วแต่เราว่าเราห้อยเพื่อเพื่อเห็นผลอันใดถ้าเราห้อยเพื่อเป็นสิ่งที่ตื่นใจเราให้เราทําความดีระบาตให้เราฝึกจิตตภาวนาอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราห้อยเพื่อที่ใช้ท่านคุ้มครองเราป้องกันภัยต่างๆอันนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะท่านทำท่านป้องกันเราไม่ได้ปัญญากับความคิดนี่อันเดียวกันไหมครับคือ ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลที่ตรงกับความเป็นจริงเราเรียกว่าปัญญาความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราเรียกว่าความหลงเป็นความคิดเหมือนกันวิธีการละโพสจริกที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนพูดตําหนิเราในเรื่องไม่จริงควรทําอะไรครับถ้าเราใช้พุดโธได้ก็พูดโธไปเราพุทโธพุดโธพุดโธไปเดี๋ยวสักพักเลยอารมณ์ที่เสียก็จะหายไป บ้านใหม่เราแค่นิมนต์พระรูปเดียวมาเจิมเป็นสิีมมงคลเท่านั้นได้ไหมครับเป็นคนไม่ชอบจัดงานแต่คนใกล้บอกว่าไม่ได้ไม่ดีต้องนิมนต์เก้ารูปจึงจะถูกต้องเป็นสิีมมงคลฟังแล้วทําให้ไม่สบายใจแต่ก็ไม่ชอบความเรื่องยากครับมันไม่เป็นมงคลแต่อย่างนั้นจะพระร้อรูปหรืพอพระรูปเดียวมันก็ไม่เป็นมงคลอยู่ดีเพราะว่ามงคลนั้นมันไม่ได้อยู่ในมงคลสามสิบปดที่พระเจ้าสอนมาสร้างบ้านใหม่เราจะต้องนิมนต์พระมาเจิม ไม่มีไม่ต้องเจอก็ได้เจอก็ได้ไม่ได้ทําให้เป็นมงคลแต่อย่างใดเราต้อเข้าใจคําว่ามงคลนี่แปลว่าอะไรแปล ว, ว่ามงคลคือความสุขความเจริญของจิตใจเพราะฉะนั้ น, นการกระทําเหล่านี้ไม่ได้เป็นมงคลแต่อย่างใดการนิ ม, มนต์พระอาจจะอาจจะได้ตรงที่ว่าเราที่นิมนต์พระมาแล้วเราเลี้ยงเลี้ยงถอยทา น, ท, านท่านนี่ยป็นเป็นมงคลการทำบุญทําทานนี่เป็นมงคลอย่าง การบริจาคช่วยสังคมทุกเดือนได้บุญไหมครับได้คุณแม่ให้เงินเราทั้งหมดที่เขามีเราเก็บเงินของแม่ไม่ได้ใช้เลยพอจะให้แม่ตักบาตรหรือทำบุญเราออกให้แม่แต่เอาเงินของเราออกแทนไม่ได้ใช้เงินแม่เลยอย่างนี้แม่ได้บุญที่เขาให้เราไหมหรือทำไหนให้แม่ได้บุญครับคือการทำบุญของต้องมีมีเหตุ คือหนึ่งต้องมีเจตนาหร่งควาบตั้งใจว่าอยากจะทำบุญสองต้องเป็นเงินของเราเองเป็นของของเราเองสามต้องเกิดการกระทำคือต้องต้องให้สิ่งของที่เราอยากจะให้ไปถ้าทำสามขั้นตอนนี้ก็บุญถึงจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นความคิดของผู้กระทำเองเป็นความคิดของรลปก็จะทาให้แม่แม่ไม่ได้บุญรูปเป็นผู้ได้บุญ ถ้าเราตั้งเป้าหมายให้บิดามารดาได้อย่างน้อยพระโสะดาบันในชาตินี้ถ้าตอนนี้ยังไม่สมําเร็จแต่เราเองปฏิบัติจนมีความก้าวหน้าเราควรจะหยุดความปรารถนานิพพานชาตินี้ไว้ก่อนไหมครับเพราะบิดามารดาครับพเจ้าดีมากเหลือเกินหรือเข้านิพพานแล้วยังมีวิธีช่วยมารดาบิดาได้อยู่ครับเราช่วยได้ก็ตอนที่ท่านในชีวิตอยู่แล้วเราในชีวิตอยู่อไม่ว่าท่านเรามีอภัญญาหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเราสามารถติดต่อท่านได้ แในโลกทิศเราก็ยังสามารถช่วยท่านได้ถ้าถ้าเราตายไปแล้วเราเข้านิพพานไปแล้วก็คงจะไม่สามารถที่จะไ ป, ไปช่วยใครได้ต่อไปเราบังคับแม่ไม่ให้แม่กินนู่นนี่พวกของมันๆ ท, ทอดทอดเค็มให้กินแต่จืดๆเพราะแม่เป็นหลายโรคเราเป็นห่วงแม่มากไม่อยากให้แม่ลําบากทรมาน ป่วยแต่เราห้ามทุกอย่างแม่ไม่พอใจเราทําด้วยเจตนาหวังดีบาปไหมครับก็าบาปเสียไปทำให้ท่านทุก<บ><บ>ข์อ่ะปล่อยให้ท่านจินตามเรื่องของท่านเดี๋ท่านอยากจะกินอะไรก็ปล่อยท่านกินไปมันชีวิต ข, ของท่านน้ำความศของท่านถ้าเราจะไปขัดขวางท่านนี่เราก็ทําบาปไปทําให้ท่านทุกข์อ่มะมโนทุตริบบาปไหมครับบาปเล ถ้ายังไม่เกิดการกระทํายังไม่บาปแต่เป็นอกุศลเป็นอกุศลัะเป็นความคิดที่ไม่ดีไม่คนที่ที่จะคิดคิดจะไปลักขโมยอย่างเงี้ยคนจะหยุดคิดแล้วถ้าปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อา จ, จะนําไปสู่การกระทําต่อไปได้จะแก้การผัดผ่อนความเกลียดค้านอย่างไรดีคระเขาใช้ความพยายามมากแทนที่ทุกครั้งที่เกลียดค้านก็ต้องทำสองเท่าตอนนี้เกลียดค้า น, นั่งสมาธิเขานั่งมันสองเท่า าทํเ็ัมดเเลยวลานั่งสมาธิต้องคิดหรือเอาจิตทําอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วครับต้องไม่คิดต้องหยุดคิดในเวทีนี้ไม่หยุดคิดก็คือต้องให้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจก็เข้าดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตอนะนะาคตคิดถึงเรื่องราวต่างๆ โดยถ้าเราให้ไม่ใช้การอยู่รวก็ใช้คําบริกรรมพูดโธก็หยุดความคิดต่างๆก็ได้ทําอย่างไรให้ใจเราไม่คิดแต่เรื่องงานครับก็เ น, นี่ยใช้พูดโธใช้คอยสะกดทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องงานกับพูดโธพูดโ ท, พ, ดโทพูดโทรไปคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีแล้วร่างกายชอบหมุนสะบัดตรรลอกทุกครั้ง แล้วช่วงนั้นเวทนาปวดขาก็จะหนักขึ้นมาเรื่อยจนทนไม่ไหวมากๆในส่วนของเวทนาติดมาราวสามสิบปีแล้วแต่อาการหมุนเป็นมาสักสามสี่ปีนี้ครับแสดงว่าสเสพแล้วหมดกําลังไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ถ้าอยากจะให้เกิดอาการเหล่านี้เราต้องบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปแนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนี่มันไม่ได้เตพจะควบคุมว่ากิริยาการต่างๆแบบนี้ได้ เมื่อเกริราการอันนี้ถ้าเราอย่าจะนั่งต่อแล้วก็บริการพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเดี๋ยวอาการกต่างๆเรานี้ก็จะสงบตัวลงอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกันในเฟซแปด้อยสี่สิบสองในยูหกร้อยหกสิบแปดในคลับแปดในติ๊กตอกห้าร้อยเจ็ดสิบสาครับรวมเพื่อนๆฟังธรรมด้วยกันสองพันก้าสิบเอ็ดคนนะครับ อยากจะถามคุณหมอว่าคุณหมอเคยจดหรือเปล่าว่ามีคําถามอยู่คงถามในแต่ละครั้งนี่มีคําถามกี่ก็ไม่เคยจบใครับอาจารย์ครับไม่เคยจบแต่ว่าเราจะถามในตั้งแต่มีทิกตอกด้วยเนี่ยคําถามที่ค้างอยู่ในนี้จะได้ถึงประมาณสามทุ่มครับอาจารย์หลาอาจารย์ไม่ถึงยอดของคําถามที่ถามในแต่ละครั้งนึงไม่ทราบว่ากี่คําถามเนี่ยอ๋อไม่เคยจดใช่ไหมครับอาจารย์น่นเองอจะรู้อนกันารย์ มีคนมีคนติดตามแล้วอยากจะรู้คาถามว่ามีกี่คาถามพอจะจบได้ไหยทุกครั้งที่คุณรอถามคาถามเขียนตัวเลขเข้าเพิ่มตไว้ไว้อาจารย์จะได้ดูอายของคำถามคื่คาถามไม่อยากจะรู้ท่างนั้นไม่มีไม่มีสักไมมีรัยะอะไรทั้งนั้นเลยก็ในนั้นจะเก็บสถิติก็ลองเอาสติีตทางได้คาถามด้วยแต่นัาสนใจนะครับอาจารย์ไม่ไม่เคยคิด ไม่แน่ใจนะว่าเพราะมันเ<ม>สือกมันเยอะเหมือนกันนะแ ต, แต่ไม่รู้เท่าไหร่ใชครับอาจารย์ครับก็บดูที่วันนี้เราได้มีโอกาสได้มาสนทน า, ทาถามตอบคำถามกันหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากการฟังจากการถามนี้ไม่ว่ากันน้อยเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปการสนทนาธรำตลอดวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนมาสิ่งที่ท่านไม่ยินได้ฟังไปเพนทิสจานาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งให้ขึ้นไปเธอสาธุก็ขอเลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขมกจะเจินพอนกาบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ